เป็นไงสบายดีพวกเรานั่งสมาธิเรารู้จักวิธีนั่งกันหรือเปล่าถ้าที่ฟังฟังมานี่ยคำถามที่ถามมานั่งไม่เป็นนะนั่งดูจิตอย่าไปดูดูแลยวถูกมันหลอกนนั่งเพื่อหยุดจิตใช่ไหคำว่านั่งสมาธิเพื่อทำจิตให้สงบ ไม่ใชใ้นั่งดูจิตนั่งดูจิตแล้วเดี๋ยวกลายเป็นบ้าจิตมันหลอกนะมันผลิตมันผลิตอะไรขึ้นมาหลอกเราแล้วเราก็ไปคิดว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่บางคนนั่งแล้วจิตมันผลิตรูปหน้ากลัวขึ้นมามันก็เลยไม่กล้านั่งอีกต่อไปแล้ว่าผลิตเป็นเทพเป็นอะไรก็คิดว่าตัวเองเป็นเทพเป็นพรมเป็นอะไรไป นั่งสมาธิไม่ได้นั่งให้นั่งดูจิตให้นั่งดูลมลมหายใจเข้าออกหรือดูพุโทโธพุธโทโธเพื่อหยุดจิตจิตเราอยากไปปล่อยให้มันไม่มีใครควบคุมมันเหมือนเด็กเด็กถ้าเราไม่มีผู้ใหญ่คุม เ, เด็กมันก็ไปเล่นไปทำอะไรเสียหายจิตของเราเหมือนเด็กมันไม่รู้ผิดถูกดีชั่ว เดี๋ยวมันก็ผลิตอะไรมาหลอกตัวมันเองจิตหลอกตัวเองหลอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเนี่ยที่เป็นบ้ากันก็เพราะนั่งไม่เป็นแล้วก็ไม่มีใครคอยใครคอยแก้คอยเตือนคอยปรึกษาอย่างที่มเมื่อวานเล่าให้ฟังมีสา ม, มเณรนั่งนั่งนั่งแล้วก็ดูมีดวงไฟโผล่ขึ้นมา ก็ตามเรืองไฟแปพอามาลืมตายที่ไม่อยู่บนยอดไม้น่ะจิตมันยอกได้ขนาดนั้นนะถ้านั่งสมาธิคือนั่งเพื่อหยุดจิตไม่ใช่นั่งดูจิตแล้วดูจิตนี่มันต้องขั้นวิปัสสนาขั้นที่เราควบคุมจิตได้แล้วหยุดจิตได้แล้วยัถึงค่อยดูจิตดูว่ามันโลภมันโกรธมันหลงหรือเปล่า แล้วก็หยุดมันกิก็หยุดมันหลง ก, ก็หยุดมันอันนั้นขั้นวิปัสสนาแต่ก่อนจะไปขั้นนั้นได้มันต้องรู้จักหยุดจิตก่อนเหมือนขับรถต้องให้รู้จักหยุดรถก่อนถ้าหยุดรถไม่เป็นขับรถไปเดี๋ยวถึงสี่แยกไฟแดงก็หยุดไม่เป็นมันทำไงก็ฝ่าไฟแดงเล้ดี๋ยวก็ชนกันแหลกขั้นต้นต้องรู้จักวิธีหยุดจิตก่อน ห ย, หยุดอารมณ์หยุดความคิดต่างๆแล้ว เ, เราดูล ม, มเนี่ยมันจะหยุดพุทโธเนี่ยมันจะหยุดความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวถ้าไม่มีลมไม่มีพุทโธเดี๋ยวมันก็โลภขึ้นมาหลอกเราโกรธขึ้นมาหลอกเราผลิตรูปอะไรเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมา แล้วเราถ้าไม่รู้ทันก็หลงนี่ตามมันไปเป็นดวงไฟสวยงามก็ตามอยากจะจับมันอยากจะได้มันพอไปลืมตาก็หนึ่งทีไปโผล่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคที่ฟังดูคนมานั่งถามคำถามไม่ไมบอกก่อนว่าเวลานั่งนั่งแบบไหนกัน นั่งแล้วจิตก็เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันนั่งต้องมีกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นเครื่องกํากับใจกรรมฐานสี่สิบนี้เป็นอารมณ์ที่จะหยุดจิตได้เช่นพุทธโธพุทธโธนี่ก็เรียกว่าพุทธานุสติถ้าธรรมโมธรมโมก็ธรรมานุสติสังโฆสังโฆก็สังขานุสติ ถ้าจะเอาสีก็ได้หลับตาแล้วนึกถึงสีเขียวให้สีเขียวเต็มไปในม่านในจอตาเลยตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่ากระสินสีเขียวสีขาวสีแดงสีเหลืองบางคนชอบอสุภะดูโครงกระดูกก็ได้เพ่งแล้วนึกถึงโครงกระดูก แล้วก็หลับตาแล้วก็อยู่นั่งดูโครงกระดูกมอนั่งดูทีวีอย่างเงี้ยให้จิตจดจ่อเพ่งอยู่กับเรื่องโครงกระดูกแ่างเดียวไม่ให้มันมีอะไรอื่นโผล่ขึ้นมาถ้า <c oughs> อย่างเงี้ <c oughs> ยเดี๋ยวจิตก็จะสงบจิตจะตกลุมตกบ่อวุ่ลงไปเย็ยนสบายมีความสุขเป็นสมาธิก็เรียกได้ว่านั่งสมาธิ เขาไม่ได้บอกให้นั่งดูจิตนั่งหยุดจิตด้วยกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอนาปนสติถ้าะระลึกถึงความตายก็เรียกว่ามรณ า, านุสสติคิดว่าต่อไปนั่งกายนี้ก็ต้องตายนั่งกายก็เกิดแล้วก็ต้องตาย เกว่าความตายตายตายตายนั้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆอหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายการทาอย่างนี้ลรับรองได้ว่าจะควบคุมจิตได้บังคับจิตได้ถ้ารู้ว่าจะตายแล้วมันจะไม่โล้ถ้าเรารู้ว่าเราจะตายพรุ่งนี้เรายังอยากจะไปเที่ยวกันนะยังอยากจะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้า จะไปเตรียมศาลาไว้ดีกว่าเตรียมโรงไว้หนะ่งนะนั่นแหละนะเข้าใจนะการนั่งสมาธิเน้นนั่งให้จิตสงบก็ว่าสมาธิก็คือสงบร่้งมั่นร่้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่ในอุเบกขาเอกขัตตารมสักแต่ว่ารู้ มีอารมณ์เดียวคืออารมณ์รู้สักแต่ว่ารู้อารมณ์อย่างอื่นหายไปหมดความรักความชังความกลัวความหยงหายไปหมดเวลาจิตสงบนิ่งแล้วจิตจะเบาสบายเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมีความสุขมากถ้านั่งสมาธิที่อย่างนี้รับรองได้ว่าไม่เป็นบ้าไม่หลง อ, อย่าไปนั่งแล้วปรุงแต่งเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมา ท้าพญาพมมาหาแล้วอพระพุทธเจ้าอมาคุยแล้วอมาชวนไปนิพพานแล้วเมันเรื่องราวหลอกเนา ะ, ะนิพพานนี้ไม่มีใครชวนเราไปได้พาเราไปได้เพราะนิพพานคือการตัดปิความโลภโกรธหนงให้หมดไปจากใจมันไม่ได้เป็นสถานที่มันไม่ได้เหมือนภูเก็ตห้ือเชียงใหม่มีคนพาไปได้ วิปานก็คือให้หยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงอย่างที่พระเจ้าสอน อ, องค์ุลิมาน อ, องค์ุลิมานตามไล่พระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำให้องค์ุลิมานวิ่งไล่ไม่ทันวิ่งไปเท่าไหร่ก็ไม่ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าไปเลยเนี่จนนั่งตะโกนบอกท่านหยุดเถอด ผมตามท่านไม่ทันแล้วพระเจ้าหันกลับมาบอกว่าเราหยุดแล้วเธอดังหาที่ยังไม่หยุดอผมคนรีมาบอกหยุดยังไงวะหยุดแล้วทําไมผมยังไม่ทันตามไม่ทันพระเจ้าบอกเราหยุดจากความโลภโกรธหลงแล้วเธอยังไม่หยุดเเธอยังโลภเธอยังอยากฆ่าคนอื่นอยู่เพราะเธอคิดว่าฆ่าคนอื่นแล้วทําให้เธอเก่งทําให้เธอไปนิพพานได้ ไม่ใช่ขอพรพุทธเจ้าให้ปัญญาให้สติสอนใจก็เข้าใจหยุดฆ่าหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงก็ไปนิพพานถึงนิพพานเลยนิพพานอยู่ที่การหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงการจะหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงได้ก็ต้องหยุดใจทำใจให้สงบเป็นสมาธิ เวลาใจสงบเป็นสมาธิเนี่ยถึงนี่ผ่านชั่วคราวแล้วนะตอนนั้นไม่มีความโลภความโกรธความหงลงน่งแต่ว่ามันแั๊บเดียวจิตขั้งแรกเข้าไปนี่มันรวมปุ๊บแล้วมันก็ได้งออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตตกหลุมตกบ่อแล้วก็ตกใจไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนก็เด้งออกมาแต่ถ้าต่อไปรู้แล้วว่าตกหลุมตกบอ่อแล้วใช่สติประครับประคองไหอ ไม่ต้องตกใจมันก็จะอยู่มันก็จะนิ่งจะสงบจะว่างจะเย็นจะสบายนั่นแหละถึงนิพานนะแต่ถึงชั่วคราวนิพานยังเรียกว่านิพานเทียมอยู่ไม่ใช่นิพานจริงเป็นของชั่วคราวเป็นสมาธิออกจากสมาธิมาก็กลับมาโลกโกรธหนงใหม่เพราะว่าสติที่เป็นตัวหยุด จิตมันไม่สามารถทำลายโลกกฎลงได้มันเพียงแต่เบรกมันกดมันไวเหมือนห็นทับหญ้าเวลาเราเห็นไปทับญ้าหญ้ามันงอกขึ้นมาได้ไหมแต่พอเราเอาหินออกมาทักพักเนึ่งมันก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะรากมันยังอยู่ใช่ไหมถ้าอยากจะให้หญ้าไม่งอกทำไงต้องถอนรากมันถอนมันรากขึ้นมาจากดินแล้วมัน อ, อลาขึ้นมาแล้วมันไม่มีวันตายไม่มีวันขึ้นมาแล้วไม่ต้องเอาเห็นไม่ทับแล้วเนี่ยเรียกว่าต้องใช้ปัญญาถอนรากของของกิเลสความโลภมันมีรากมีเหตุให้เกิดความโลภเหตุของความโลภคืออะไรก็คือความหลงหลงอะไรหลงหลงความสุขเนี่ย คิดว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเราสัมผัสเราอยากได้นี่เป็นความสุขกันเออยากได้แฟนกันใช่ไหมอยากได้เงินงินใช่ไหมออยากได้คนสรรเสริญยกย่องเยินยอออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสเราได้มาแล้วมันเป็นไงมันสุขนานไหยมันสุขไปตลอดหรือเปล่าแล้วพอมันแล้วพอมันพอมันหายไปมันกลายเป็นอะไรไป เป็นความทุกข์ใช่ไหมเวลาแฟนจากไปเป็นไงลูกมา <c oughs> นี่คือความหลงต้องมาแก้ตรงนี้ต้องตอบไปนิดต้องสอนว่าแฟนก็ดีลูกก็ดีสามีภรรยาก็ดีทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองก็ดีลูกเสียงกิ่นรสต่างๆก็ดีมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่เที่ยง มันไม่ถาวรได้งานแล้วเดี๋ยวเวลาหมดไปก็ทุกข์ทุกข์ก็ต้องดุ้นหาใหม่เห็นไหมดื่มกาแฟมากี่แก้วนะพอหรือยังถ้ามันสุกจริงเหมือนต้องดื่มแก้วเดียวก็พอแล้วมันต้องสุกไปตลอดแนละ้วมันสุกเดี๋ยวเดียวสุกตัวที่ตอนได้ดืม่มเดี๋ยวพอความสุขนั่นจางหายไปความอยากดื่มกาแฟก็กลับมาอีกล้ะ แล้วถ้าแมได้ถ้าไม่ถ้าอยากแล้วไม่ไม่มีกาแฟให้ดื่มมันสุขหรือทุกข์ล่ะเนี่ยเรียกว่าปัญญาความจริงมองความจริงแล้วเราจะได้หยุดความโลบความอยากได้นี่นี่คือเราต้งต้อ ง, งพิจารณาตายลักเนี่ยตายลักคือความจริงของสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าให้ความสุขกับเรา อุฒเจ้ามันบอกมันเป็นทุกข์อันนี้จังทุกขังเห็นไหมทุกข์พ่อมันอนนี้จังมันชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวอนัตตาไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปเรามาในโลกนี้มีอะไรเป็นของเราบ้างเวลาเราไปเราอะไรไปได้ไมันไมด้มันของเรา ลาบยสศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาไปไม่ได้ขนาดที่รู้ยังยังอยากได้เลยต้องต้องคิดบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่มันอยากได้ตอนนั้นอนะ่ะต้องใช้ปัญญ า, าถ้าปัญญาทันปั๊บมันก็ไม่เอาดีกว่าเรื่องอะไรไปเอาความทุกข์กันได้มาแล้วทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิเราจะเอาเพราะว่า เราหิวเราอยากเราไม่มีความสุขในตัวเราแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วนี่เรามีความสุขทดทดแทนชดเชยถ้าเรามีความสุขจากสมาธิเราบอกเอ้ยเราเนั่งสมาธิดีกว่าแทนที่จะไปดูหนังกินกาแฟดื่มเด่มสุลาเนั่งสมาธิดีกว่า เ, เรานั่งสมาธิเป็นเราก็นั่งสมาธิกัน ทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากมันก็หมดกําลังไปเองคนที่เลิกบุหรี่ได้เพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่เขาจะสูบบุหรี่เขาก็บอกไม่สูบแล้วพอแล้อเบื่อแล้วต่อไปมันก็ไม่สูบต้องฝืนความอยากด้วยปัญญาต้องรู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์เวลามันอยากแล้วไม่ได้ลืมได้มันแล้วเสียไป นี่แหละคือการถอนรากถอนโคนของความโลภของความอยากถ้าเราไม่มีความโลภแล้วเราจะไม่มีความโกรธเชื่อไหมที่เราโกรธเพราะอะไรเพราะเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้มีคนมาขัดขวางเราเนี่ยเนี่ยบอกยังบอกให้แฟนทําอะไรให้หน่อยเนี่ยแล้วแฟนไม่ทําให้โกรธไม่โกรธขอแม่ไปเที่ยวแม่แม่ไปเที่ย ว, ยวโกรธไม่โกรธ <laughs> <Okay. S 1> ขอเวลาขออะไรพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่ให้เราเราโกรธเน่ไม่โกรธ <laughs> <laughs> อย่าไปขอแล้วเราจะไม่โกรธอย่าไปคิดว่าได้มาแล้วจะดีหคิดว่าได้อะไรมาแล้วไม่ดีเท่านั้นซู้ไม่มีอะไรดีกว่าเข้าใจไหมตอนนี้หนูอยากได้เลยบ้าง เบาหลวงพอ่อสิอาอยากได้คอมอยา่าไปอยากกันเดี๋ยวได้มาเดีเกอดคอมหายไปทําไง<อ>เสียใจไหมเดี๋ยวเกิดได้มาแล้วไปลืมเผลอวางไว้ไหนคนอื่นเขาเข้ามอยไปแล้วทําไงอตอนนี้เราไม่มีคมแล้วเราไม่ไม่ต้องเสียใจใช่ไหม ถ้ามีความจาเป็นก็บอกแม่เขาแล้วแล้วแต่พ่อแต่แม่เขาเขาจะซื้อให้หรือไม่ซื้อก็อยู่ของเขาแต่อย่าไปอยากได้แต่บอกว่ามันจําเป็นต้องใช้ทําการบ้านต้องใช้ทำอะไรแต่ถ้าไปใช้เล่นยาวมาดีกว่าเล่นก้อนหินดีกว่าทําไมเด็กๆของพ่อเล่นก้อนหินกันมันไม่มีคอมให้เล่นเล่นก้อนหินเล่นเล่นหนังสติก๊ก เล่นเหรียญทองแดงเล่นฝาเบียเล่นซองบุหรี่ทำไมเด็กๆนี่เก็บซองบุหรี่มาเล่นเป็นเงินกันซองบุหรี่ไม่หลายราคาอบุหรีพ่พระจันบุหรี่เก็บทองบุหรี่กุ้งทองเมีราคาต่างกันมาเล่นอะไรกันก็ใช้นี่เป็นเงินทองกันเล่นไพ่ก็ใ ช, ใ ช, ใช้ใช้เงินปลอมกันเนี่ยเด็กๆ เ, เล่นกัน ถ้าเป็นของเล่นอยาาไปอยากถ้าเป็นของเรียนอยากได้เพราะเรียนแล้วจะทำให้เราฉลาดตอนนี้เรายั ง, งโง่อยู่เราต้องเรียนกันต่อไปเราฉลาดพอเราฉลาดแล้วเราก็จะไม่อยากได้อะไรแต่ต้องเรียนก่อนถึงจะฉลาดตอนนี้ถ้าอยากก็อยากอยากเรียนอยากได้ของเรียนอย่าไปอยากได้ของเล่นยิ่งเรียนยิ่งทำให้เรางโง่ใหญ่ เพราะไม่เกิดความไม่ไมเกิดความฉลาดที่พูดนี้พูดถึงความอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องอยากราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี่ไม่จำเป็นจะต้องมีเนี่ยเราจะได้นิพพาน ได้มาลมมาสุขได้ความสุขที่ถาวรอยู <học> has, ่คนเดียวสุขสบายไบหาหามาใส่หัวทำไมเพราะฉะนั้นหัดมาหัดสร้างสติกันหัดหยุดจิตกันอย่าปล่อยให้จิตคิดคิดแล้วมันจะอยาก ยิ่แล้วมันจะโลภใช่ไหมขนาดเด็กโดนนิดเดียวยังโลภได้เลยความโลภนี่ไม่ต้องสอนกันมีแต่ต้องคอยเบรกกันเบรกแล้วก็เดือดร้อนบุ่นนะเบรกแล้วก็โกรธงอนพ่อแม่แ้วสิใช่ไหมดื้อเลยความโลภไม่ดีโลภแล้วทาให้โกรธวิธีที่จะไม่โลภก็ต้องใช้ปัญญา แต่ก่อนจะมีปัญญาใช้ปัญญาได้ก็ต้องทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนให้จิตมีความสุขก่อนถ้าจิตมีความสุขในตัวเองแล้วทีนี้โลภยังไงเราก็ฝืนมันได้แต่ถ้าเราไม่มีความสุขในตัวนี่พอมันโลภแล้วมันต้องไปนะต้องไปเอาสิ่งที่โลภแล้วงนั้นขั้นต้นต้องทำจิตให้สงบ ธรรมจิตให้สงบก็ต้องมีกรรมฐานไว้กากับใจไม่ให้คิด mm hmm. กรรมฐานส0สเนี hmm. ่ยอนุสติมีอยู่ส0บพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติเทวานุสติ mm hmm. อนาปนานสติ mm hmm. มรณานุสติกายคตาสติ mm hmm. yeah. อาการสาสอง มีเป็นการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะให้จิตมีงานทำจะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องลาบยศสรนสญคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสท่านอยู่กับพุทธานุสติพุทธโธไปเรื่อยๆมันก็ไปคิดถึงคอมไม่ได้คิดถึงสวนน้ำไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้คิดถึงขนมไม่ได้ มันก็จะไม่มันก็เลยไม่อยากมันอยู่เฉยๆได้แล้วถ้านั่งสมาธินั่งนิ่งๆจะให้จิตรวมนี่ต้องนั่งนิ่งๆถ้าอื่นไม่ได้ถ้าอื่นจิตไม่รวมเพราะมันจิตยังทำงานอยู่จิตต้องสั่งให้ร่างกายเดินให้ร่างกายยืนอยู่แต่เวลานั่งนี้จิตปล่อยร่างกายได้ทิ้งร่างกายได้ไม่ต้องควบคุมร่างกายจิตก็มา อยู่ที่พุโทโธพุธโธไปเหนยวจิตก็หลวมเข้าสู่ความสงบจิตก็แยกออกจากร่างกายไปนะคำ ว, ว่าสมาธิา ท, ที่เกิดจากกรรมฐานสี่สิบประมใช่ไหมคือไม่ใช่เกิดจากสมรมฐานสี่สิบอาจจะมีกรรมฐานที่ห้าสิบหกสิบก็ได้แล้ว แ, แต่ที่สงบก็คือต้องมีต้องต้องมีกรรมฐานกํากับใจอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. พุโทโธอนาปนาสติ หรืออะไรเนี่ยมีอารมณ์คอยควบคุมจิตไม่ให้คิดปรุงแต่ ง, ตงาสมาส ม, ม, มอ๋อใช้งานอ๋อสมาสมาธิคือสมาธิที่รวมเป็นหนึ่งสัตว์ว่ารู้เป็นอุเบกขาไม่ออกไปรับรู้รู้พวกกายทิพย์โลกทิพย์ต่างๆอันนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิมันไม่ใช่คนตัวที่เวลาเราอ่านหนังสือได้นานหรือว่าเราอ๋อไม่ไไม่ไมอ้ น, นั้น เราใช้คําว่าสมาธิผิดเนี่ยอันนั้นเป็นสติเวลาเราดูอะไรนี่จดจ่อดูเรียกว่าสติแต่เราไปใช้คําว่าสมาธิควา ม, ม, มจริงที่เราบอกว่าบ่นว่าวันนี้ไม่มีสมาธิในการทํางานเลยอันนี้ใช้ผิดมันต้องบอกไม่มีสติในการทํางา น, มนสมาธิมสมาธิดีหรือเปล่าว่านั่งดูอะไรได้นา น, านใช่ใช่สมาธิจริงต้องนั่งหลับตาแล้วก็จิตวุ้นลงไปตกหลุมตกบอก่อ เข้าสู่อัปปนาสมาธิเหลือแต่อารมณ์เดียวคือสักแต่ว่ารู้ไม่มีรากไม่มีรากชังกลัวหลงหายไปหมดจิตเบาตอนนั้นร่างกายจะเจ็บจะปวดยังไงจะไม่รู้สึกเดือดร้อนสักแต่ว่ารู้นี่คือรู้อย่างเดียวเลยก็เหลือแต่รู้ตัวเดียวไ ม, ไม่มีคิดแล้วมันหยุดคิดไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องอะไรลนะ มันหยุดทํางานชั่วคราวเแล้วแต่ตัวรู้ตัวเดียวหรือผู้รู้ตัวเดียวคือผู้จิตนี่คือผู้รู้ผู้คิดหยุดทํางานจิตมีสองส่วนส่วนคิดกับส่วนรู้ส่วนรู้นี่มันรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ส่วนคิดนี่มันคิดแล้วหยุดได้แต่ส่วนรู้นี่ไม่มีวันไม่มีวันหายรู้รู้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าพอมีความคิดความคิดมันก็เลยมากบตัวตัวรู้ เราก็เลยไปรู้กับตัวคิดแทนไปอยู่กับตัวคิดตัวคิดมันก็เลยหลอกให้เราไปโลกไปอยากได้สิ่งต่างๆแล้วเราก็เลยไปหาสิ่งต่างๆมาร้องห่มร้องไห้กันเวลาได้มาแล้วเวลาเสียไปก็ร้องห่มร้องไห้เวลาได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจร้องไห้น้ยใจอีกเแล้วก็ฆ่าตัวตาย ขอแล้วไม่ได้เสียใจมากฆ่าตัวตายประชดพ่อประชดแม่เนี่ยเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเรามาหยุดคิดกันแล้วปัญหาต่างๆเัลนี้มันจะไม่มีเวลาจิตหยุดคิดนี่มันจะนั่งเฉยๆแล้วสบายมีความสุขไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะไม่มีความรักความชังไม่มีความอยากได้อะไร โลกโกดหลงหยุดชั่วข่าวนะบอกเป็นนิพพานชั่วข่าวเป็นนิพพานเทียมอันนี้รักสัมมาสมาธิวิชชาสมาธิก็คือสงบแล้วไม่ไม่นิ่งเฉยออกไปรับรู้ได้ตาทิพย์หูทิพย์ได้ไดได้ปาฏิหาริย์ได้อิทธิฤทธิ์อภิญญ า, าไปอ่านจิตของคนอื่นได้ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ไปรับรึกชาติได้ อดก่อนทําอะไรมาเป็นอะไรมาไม่ดีอะไม่ดีหรอกมันมันไม่ไปมันไม่เป็นไม่ผ่านไงมันมันไม่หยุดความโลภความโกรธความหลงมันกลับจะส่งเสริมความโลภพอมีฤทธ์ก็อยากจะใช้ฤทธ์ทางในทางความโลภอยากจะได้อะไรก็เป็นไปแทนที่จะไปฆ่ากิเลสก็เลยไปรับใช้กิเลสไปเป็นหมอดูแทนแทนที่บวชล้วจะไปบวชเป็น เพื่อไปนิพพานก็บวชแล้วก็ศึกไปเป็นหมอแล้วบวชบวชแล้วก็ไม่ศึกก็เป็นหมอพระไปหมอดูพระเยอะแยะไปใช่ไหมแล้วเราแล้วบางทีก็ไม่ได้รู้จริงหรอือรู้หลอกไปแล้วเราก็ไม่รู้เนาะเขารู้จริงหรือเปล่าเมื่อเห็นเขาเป็นพระล้วก็เลยต้องเชื่อว่าเขาไม่หลอกใช่ไหมไม่ดีมันเป็นเหมือนของเล่นอมันไม่เป็นเหมือน อ, อาหาร มันไม่ทําให้ใจอิ่มมันไม่ได้ห ย, ยุดความโลภโกรธหลงมันกลับส่งเสริมความโลภโกรธหลงเอ้ยเรามีความรู้คสามารถพิเศษแล้วเราหาวิธีหาเงินมาใช้ก็ได้แล้วเนี่ย เ, เรหลังเล่าให้ญายโยฟังหน่อยว่าชาติก่อนเห็นนู่นเห็นนี่แย่ญายโยไม่อยากจะรู้นั่นะหนูเหรอชาติก่อนเป็นังไรบนะ้างหลวงพ่อดูได้ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อก็หลับตามบุบนิบหนะาอ๋อชาติก่อนเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เ อ, อ ก็เช sí ื่อแล้วใช่ไหมอือต okay, ัวเราเองมันร ultimate UM no ู้ชาติการเป็นไงเราแต่ใครก็มันโง่โง่ไปเลยเราไปเชื่อเขาด้วยของพวกนี้มันเความอยากมันเลยทําให้กลายเป็นคนโง่ไปพออยากจะรู้อะไรแล้วไปเชื่อเขาว่าเขารู้จริงก็เลยเขาพูดอะไรก็เลยเชื่อเลยเราระวังนะทั้งคนรู้กับคนคนที่ไปเชื่อเขาก็ ก็พอๆกันเน่ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปหยุดความโลภโกรธลงมันไม่ได้ทําให้ใจสงบในความสุขมันกลับทําให้ใจเกิดความโลภความอยากรู้มากขึ้นไปเรื<ๆ>่อยๆเดี๋ยวก็อยากรู้พรุ่งนี้จะรวยหรือเปล่า<ๆ>วันนี้จะออกอะไรเลขอะไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยนี้ไปคําชโนดกันไม่รู้เป็นขบวนกี่คับรถแล้วไรู้ เพาข่าวลือหน่อยท่านกไปที่นั่นนงแล้ได้รางวัลที่หนึ่งมาเนี่ยบ้านอำเภอเมื่อเมือม่องวดที่แล้วนี่ก็มีคนได้้างเบอร์ข้างเคียงมาได้มาแสนหนึ่งแ<อ>สดงว่าเบอร์ที่หนึ่งมันก็ต้องอยู่แถวบ้านอำเภอนี่แหละแต่คนซื้อมันซื้อเบอร์ข้างเคียงจะยินเข่าวป่ะมีด้วยเลยเ<อ>บ้า น, านอำเภอกับข้างเคีย ง, <อ>งก็เดียวกันแสดงก็อยู่ที่เดียวกันเออ ไอคนที่ใส่บายมันได้ข้างเคียงได้แสนหนึ่งมันก็เลยใส่ซองให้พระคนละทำมุนเนี่ยพระก็เลยนับมีิสงนะไม่มีอะไรดีเท่ากับความสงบนัตติสันติปาลังสุ ข, ขัง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดความสงบเพราะเป็นความสุขที่ถาวรตอนต้นก็เป็นชั่วคราวก่อนสมาธิแต่พอทาไปทำไปต่อไปก็เปลี่ยนจากชั่วคราวกลายเป็นถาวรพอเราถอนรากของโลภ ก, กดลงได้หมดแล้วทีนี้จิตก็จะสงบอย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินั่งอยู่ตรงนี้เฉยๆอย่างนี้ก็มีความสุขเหมือนอยู่ในสมาธิ เพราะว่าไม่มีความโลภโกรธหลงมาสร้างรบกวนใจเรื่องรานี้นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็โลภ น, น, นู่นโลภนี่แล้วเดี๋ยวก็โกรธนั่นโกรธนีนะ่แต่ถ้าเรามีปัญญาถอนรากถอนโคนของโลภโกรธหลงได้หมดต่อไปมันก็ไม่มีอะไรมาลบกวนใจอันนี้หนละเป็นของดีต้องสมา ส, สมาธิคือจิตสงบเนีงสักตะวรันโลก เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็คือไม่มีรักชังกลัวหลงไม่กลัวอะไรไม่หลงกับอะไรไม่รักอะไรไม่ชังอะไรร่างกายจะเจ็บก็ไม่ชังกับมันอ้นนอาวาหนูอยากได้แล้วก็วโลภทั้งนั้นอ่ะอยากได้เสื้อผ้าก็โลภแล้วถ้าถ้าถ้ามันพอใช้อยู่ยังอยากได้นี่เรียกว่าโลภแต่ถ้ามันหมดแล้วถูกเสื้อผ้าถูกบ้าน บ้านไฟหมไม่มีเสื้อผ้าใสเหลืออยู่ชุดเดียวอย่างนี้อย่างนี้ไม่โลภต้องซื้อมาเปลี่ยนเพราะใส่ชุดเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีเปลี่ยนอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าโลภแต่ถ้าซื้อเกินเกินที่จำเป็นก็เรียกว่าโลภถ้าของจำเป็นต้องมีนี่ไม่โลภไม่เรียกว่าโลภถ้าเกินความจำเป็นแล้วถึงจะเรียกว่าโลภงั้นทุกครั้งเวลาจะซื้ออยากได้อะไรให้ถามเองว่า ถ้าไม่มีมันแล้วตายหรือเปล่าถ้าไม่ตายก็สแสดงว่าไม่จําเป็นก็สแสดงว่าโลภวิธีอยากจะรู้ว่าโลภหรือไม่โลภอย่ากพิ่ไม่อยากร <c oughs> แล้วมันได้อะไรก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หายไป <c oughs> ไม่เห็นน่ะหรือไม่อยากอ่ะก็ <c oughs> <bracket> ต้องนั่งสมาธิเสวนั่งสมาธิใ จ, ใจสงบแล้วมันจะไม่หิวละมัน มันมีความสุขที่ดีกว่าจากสิ่งต่างๆที่เราได้มาต่อให้ไปซื้อเสื้อผ้าเบร์ซาเซมาใส่สักร้อยชุดมันก็สู้ได้ความสงบไม่ได้ต่อให้มีบร์ซาเซมาเป็นคนรับใช้เราออกแบบเสื้อผ้าออกแบบกระเป๋าออกแบบรองเท้าให้เราเดี๋ยวก็เบื่อมันเนี่ยชุดนี้ก็มีแล้วชุดนั้นก็มีแล้ว เราอยากจะโ ง, งก่อนก็เอาบอกทางตรงสู่ความสุขไม่เอาชอบไปเอาชอบไปทางทุกข์ก่อนก็แล้วไปต้องต้องร้องไห้ก่อนเนี่ยอย่างหลวงปู่ขาวนี่ต้องร้องไห้ก่อนถึงไปบวชหลวงปู่ขาวท่านนี้เมียตอนนั้นท่ายังไม่บวชท่านบวชตอนอายุสี่สิบกว่าห้าสิบแล้วเนาะ ท่านมีครอบครัวมีภรรยาแล้ววันหนึ่งท่านไปจับด้านาภรรยาท่านกําลังมีชู้อยู่การแคร์มากตอนนั้นหน้ามืดคิดจะฆ่าเขาทั้งสองคนเนยะแต่พอดีได้สติแล้วรึกว่าเออถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราบาปมากกว่าเขาเราเพียงแต่ประพฤติผิดประเวณีเท่านั้นเองท่านก็เลยเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการมีแฟนมีครอบครัว ก็เลยเลิกตัดสินใจไม่เอาแฟนต่อไปนี้ไปบวชดีกว่าประกาศบอกชาวบ้านเลยว่ายกเมียให้คนนี้ไปแล้ว<ม>ตัวท่านไม่เอาแล้วสมบัติเข้าของเงินทองท่ไงให้เมียหมดท่านก็ไปบวชไม่นานท่านก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไปปจิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นศึกษากับหลวงปู่มั่นไม่นานท่านก็ตัดความโลภกฎหลงหมดไปจากใจ เป็นนิพพานไปจิตเป็นนิพพานไปตายไปร่างกายกระดูกกายเป็นพระธาตุ mm hmm. แสดงว่าท่านเป็นเป็นพรนะอรหันต์ถึงนิพพานนะ mm hmm. แต่ก่อนจะไปถึงนิพพานได้ก็ต้องทุกข์เสก่อนต้องต้องเห็นทุกข์เสก่อนวนะ่าเนี่ยชีวิตการครองเรือนี่มันทุกข์แล้วก็เลยออกบวชออกบวชแล้วก็ไม่เสึกเลย ปฏิบัติมีนคนสอนสอนให้กาจัดเล้าโกดหนอสอนให้นั่งสมาธิสอนให้เจริญสติพอจิตรวมแล้วก็ออกจากสมาธิมาก็สอนให้ดูทุกอย่างที่เราโลกว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทุกข์อย่าไปไดนะ้ได้แล้วเดี๋ยวต้องเสียใจในภายหลังอย่างที่ แย่าหลวงปู่เกาวนี่ท่านเห็นกัตาแล้วว่ามีภรรยานี่ทุกข์พอเสียภรรยาไปนี่โอ้โหมันมันเหมือนกับเมื่อไม่นานนี่ปีที่แล้วก็มีโยมคนหนึ่งเสียลูกชายไปคนหนึ่งบอกแกไม่เคยทุกข์มาก่อนเลยพอเห็นลูกลูกชายตายไปนี่แกโอกโหไม่เคยคิดว่าใจจะทุกข์ได้ขนาดนี้ไปนี้ไปบวชล้ว เมืม่ออาทิตย์เือเดือนที่แล้วพรนยาก็มาทำบุญ้วบอกว่าสามีตอนนี้ไปบวชน่ะเห็นทุกข์เห็นทุกข์กจากการสูญเสียสิ่งที่เรารักไปมันทุกข์มากต่อไปสิก็า จ, จะบนะ <c oughs> วชเนี่ยเรยังไม่ทุกข์พอตอนตอนนั้นก่า จ, จะลืมความทุกข์ไปแล้วก็ได้ มันนะ แ, แผลใจมันหายได้นะทิ้งระยะไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็พอมันทาใจได้แล้วมันก็ลืมลืมความทุกขันนั้นพอเจอแฟนใหม่ขึ้นมาก็เลย <laughs> ลืมความทุกข์ไปหมดนะนะที่พูดนี้ก็เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ช้า ก, ก็เร็วต้องมีการพลดพลากจากกัน ทุกคนไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้มีมากมีน้อยมีดีไม่ดีมันก็เอาไปไม่ได้แล้วไปก็ต้องกลับมาใหม่เพราะไปไปด้วยความเสียดายเมื่อเสียดายก็อยากจะกลับมาห า, หาของเดิมก็กลับมาเกิดใหม่พอเกิดมาเกิดนี่ก็มาเป็นเหมือนเด็กนี่ไม่ต้องสอนเมือโลกนั้นนะฮะโลกเหมือนเดิมจิตมันโลมาจิตนี่ไม่ได้เป็นของของใหม่ร่างกายเป็นของใหม่ แต่จิตนี้เป็นของเก่าจิตของเขาของเรานี่อายุเท่ากันคือไม่รู้กี่แสนล้านปีมนละ้จิตเรานี่ไม่เคยตาย <c oughs> มีแต่เปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆไม่รู้กี่แสนล้านลนะ่างแล้วแล้วก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มาหยุดความโลภ ก, กันหยุดความโลภในรูปเสียงกลิ่นรสในลาบยศสรรเสริญก็กลับมาหามันอยู่ได้เรื่อยๆเหมือนคนติดบุหรี่ถ้าไม่เลิกบุหรี่มันก็กลับมาสูบอยู่เรื่อยๆ อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะเวลาเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยพระพุทธเจ้าพอไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายความสุขที่เคยได้ในอยู่ในวังหายไปหมดเลยเพราะตอนนั้นอยู่ในวังหลงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายเพราะในวังนี้พระราชบิดาห้ามคนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไป เด็กชายสิทธัตถะเห็นแต่คนหนุ่มคนสาวก็เลยคิดว่าชีวิตนี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดแล้วพอวันหนึ่งได้อยากจะรู้ว่าข้างนอกกำแพงมีอะไรนอกกำแพงวังมีอะไรก็เลยหนีออกไปดูนั่นให้มหาดเล็กพาวไปชมก็ไปเห็นคนแก่ก็ไม่รู้นี่เป็นใครก็มหาดเล็กก็บอกนี่แหละคนเราทั้งหลายแม้แต่พระองค์เองเดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ เลอตลกเลอเดี๋ยวไปเห็นคนนอนเจ็บไข้นอนโอดคนคลางอยู่หน้าบ้านเนี่ยถามว่าเป็นใครเป็นอะไรก็เป็นคนอย่างเรานี่แหละที่ต่อไปก็จะต้องเจ็บอย่างนี้แหละท่านเลยเรอเดี๋ยวไปเห็นคนตายก็าจำแห่ไปแบกไปเผาถามว่าเป็นใครก็คนเนี่ยอย่างเหมือนพระองค์เนี่ยเดี๋ยวในที่สุดก็ต้องตายกันโอ้พระองค์เห็นแล้วก็ตกใจเลย ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหเห็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็เดินไปหน่อยก็ไปเห็นนักบวชเราถามพวกนี้ก็ทำอะไรพวกนี้เขาหาวิธีหนีความแก่ความเจ็บความตายกันเหรอมีวิธีหนีได้เหรอก็เลยดีใจเออยังมีทางเรากลัวความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้อง ไปหาวิธีเหมือนเขาก็เลยเนี่ยแหละพออยู่เองไม่กี่วันก็ได้ข่าวว่ามีออกรูกก็เลยกไปดีกว่า อ, อยู่แล้วก็เดี๋ยวก็รักลูกห่วงลูกไปไม่ได้จ่ไหมโยมนักลูกห่วงลูกไนะว<ง>้ทิงได้นะทิงไม่ได้นะเนี่ยทเลยไม่ไม่กล้าไปดูลูกคือนั้นเวลาที่จะไปนะี่ท่านไม่ไปหรมีคนมาบอกว่า ในลูกชายท่านบอกบวงภาษาบาลีภาษาพระสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าเรียกว่าลาหุนราหุนแปลว่าบ่วงเขาเลยตั้งชื่อลูกว่าพระราหุนเพราะพระพุทธเจ้ษษาพูดว่าบวงผู้ระ า, าหุนตอนที่ได้ข่าวมาท่านได้ลูกแนละ้วท่านก็นอุทานว่าลาหุนเลยไอคนที่ได้ยินก็ไปบอกเขาว่าพระพุทธเจ้ษษาพูดอะไรว่าท่านได้ข่าวท่านบอกราหุน ท่านวอกตั้งชื่อลาหุนเรื่อนั้นท่านก็หนออกไปจากวังเอาเสื้อผ้าติดตัวไปชุดที่ใส่ทั้นไม่เอาอะไรติดตัวไปขี่ม้าไปให้คนที่เป็นคนเลี้ยงม้าไปเอาม้ากลับพอออกจากนอกเขตวังแล้วก็ท่านก็เดินไปเดินไประหว่างทางก็ไปเจอขอทานใส่เสื้อผ้าแบบขอทานเห็นเสื้อผ้าของเจ้าชายก็อยากได้ ขอเปลี่ ย, อยนอะพระพุทเจาเอาก็ยอมเปลี่ยนเราต้องการที่จะไปอยู่แบบขอทานไม่อยากจะให้เขารู้ว่าเป็นเป็นอเป็นมา้ากษัตริย์ก็เลยยินดีเปลี่ยนให้เลยไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นใครท่าไปแบบอแบบนักสืบไปแบบสายลับไปอยู่แบบไม่มีใครรู้ว่าท่านปามาจากที่ไหนเป็นอะไร อยู่แบบสามัญชนอยู่แบบธรรมดาแล้วก็ไปศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ที่สอนให้นั่งสมาธิเพราะคนสมัยก่อนก็คิดว่าการนั่งสมาธิจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายไม่ต้องแก่ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายมันก็ไม่ทุกข์ตอนที่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิมันก็ไม่ได้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตาย ร่างกายแก่เจ็บตายตอนนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนแต่เวลาออกมาจากสมาธิพอมาเห็นเข้าเห็นร่างกายแก่เจ็บตายก็ทุกข์ขึ้นมาไม่มีใครสามารถดับความทุกข์ได้นอกจากวิธีเข้าสมาธิเท่านั้นพระองค์เลยบอกยังไม่ใช่เป็นวิธีที่าถาวรหยุดวามทุกข์ได้ชั่วคราวก็เลยทรงค้นคว้าหาด้วยพระองค์เอง ลองผิดลองถูกอยู่ลองอดข้าวถึงสี่เก้าวันก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมยังทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอยู่เหมือนเดิมก็เลยค้นคว้าหาสาเหตุว่าอะไรมันทำให้ทุกข์เวลาอยู่ในสมาธิมันทำไมไม่ทุกข์เพราะอะไรท่านก็เปรียบเทียบเวลาสมาธิมันไม่มีโรกโกรธหลงแต่เวลาออกจากสมาธิมามันมีโลคโกรธหงท่านก็เลย ก็ไอ้โลกโกดหลงนี่ที่ทำให้เราทุกข์กันอพอเวลาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันก็ไม่ทุกข์เนีเดี๋ยถ้าทำไงให้โลคโกดหลงมันหายไปโดยไม่ต้องข้าสมาธิตั้งก็ค้นคว้าดูว่าเราอะไรเป็นต้นเหตุของความหลงความหลงก็คือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าของที่เราโลภมันทุกข์ก็เลยดูว่าของต่างๆที่เราโลบนี่มันสุขหรือมันทุกข์กันแน่ มันสุกเดียวเดียวสุกเวลาได้มาแต่เวลามันเสียไปมันทุกเนี่ยเวลาห้ามันได้ปล่ะเวลามันจะไปห้าไม่ได้ห้าไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นของเราที่มันเสียก็แสดงว่ามันไม่ถาวรมันมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงทุกอย่างมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีได้มีเสียก็เลยสรุปว่า ความทุกข์เกิดจากความโง่ที่ไปอยากได้สิ่งที่เป็นทุกข์กันพอได้มาแล้วก็ต้องมารักมาห่วงมาห่วงใช่ไหมของที่เราอยากได้เรารักใช่ไ้ยถึงได้มาแล้วพอได้มาแล้วก็ต้องห่วงไหมห่วงไหมแล้วมันสูกกระปรี้บแล้วมันห่วงมันห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไหไนั่นแีลยใช้ความคิดเหล่านี้คิดดูสิ อแล้วมันจะได้ตัดได้เรื่องปัญญาต้องคิดต้องหาเหตุหาผลว่าทําไมเราต้องหวงต้องห่วงเมื่อก่อนเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ทําไมตอนนี้พอมีเขาแล้วทําไมต้องมาทุกข์กับเขากลัวเขาจะไม่มีกลัวจะไม่มีเขาซะแล้วตอนนี้เรามีวิธีหาความสุขแบบใหม่เรามีสมาธิแล้วเราไปกลัวอะไรไม่มีเขาเราก็ยังมีความสุขได้ เ้าก็พุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบพอใจสงบมันก็มีความสุขกลับคืนมาละนี่ล่ะนี่คือวิธีพุทธเจ้าคน้นควาวิธีหยุดความโลภโกรธหนงตอนท่านสามารถหยุดความโลภทุกครั้งได้เพราะท่านไม่ต้องอาศัยอะไรให้ความสุขกับท่านแล้วท่านมีความสุขจากสมาธิก็พอแล้วเพียงแต่ว่ามันมันยังมันมันสุขเฉพาะเวลาอยู่ในสมาธ เวลาจากสมาธินี้มันไม่สุขเพราะมันมีความโลภและไม่รู้จักวิธีกำจัดความโลภตอนนี้รู้นะวิธีกำจัดความโลกก็คืออย่าไปทำตามความโลภถ้าไม่ไปทำตามความโลภต่อไปมันก็หายเองใช่ทุกครั้งที่อยากจะดื่มกาแฟก็อย่าไปดื่มมันเลยเดี๋ยวไม่กี่ครั้งมันก็หายดิหายอยากเองพออยากก็ไม่ได้ดื่มมันก็ไม่อยากจะอยากเหมือนเราไปขอเงินคนเนี้ย ขอของพ่อเนี่ยขอกี่ครั้งก็ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปก็ไม่ขอลนะขอแล้วไม่ได้ขอไม่ทําไมหายอยากเองพ่อแม่ก็ต้องใจแข็งบ้างพ่อแม่ชอบใจอ่อนพอขอแล้วร้องไห้หน่อยก็ยอมเพราะนะเดีย๋ยวทาให้เขาเสียนิสัยนะเราก็ได้มาไม่กี่วันเขาก็โยนทิ้งแล้วนะอยากได้ของใหม่แล้ะต้องดัดนิสัยบ้างให้ให้เขารู้จักเสียใจบ้างให้พบความทุกข์บ้าง เขาจะได้รู้จักทำใจเม่อย่างนั้นถ้าเขาได้ทุกอย่างตามใจเขาเวลาต่อไปเวลาเขาไม่ได้อะไรสักอย่างหนึง่งเขาจะเสียใจมากแล้วจะทำใจไม่ได้เข้าใจยังทำไมจะต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิแบบไหนถึงจะสงบถึงจะมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วเราก็จะหยุดความโลภความอยากได้เพราะไม่มีของอะไรในโลกนี้ที่เราอยากได้จะให้ความสุขเท่ากับความสงบที่เราได้จากสมาธิทุกครั้งอยากจะไปเที่ยวก็นั่งสมาธิดีกว่าทุกครั้งอยากจะทำอะไรคือนั่งเฉพาะตอนที่หยุดความอยากคือถ้าเราทนไม่ไหวเราทนความอยากคู้ความอยากไม่ไหวแล้วก็ไปนั่งสมาธิมันก็ช่วยได้แต่ถ้าเรามีกาลังมาก สู้กับมันโดยไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ตัดใจไม่เอาสัาอย่างโหเด็ดตีงขาดก็ไม่เอาเดี๋ยวมความอยากมันก็ยอมแพ้เองใจต้องเด็ดเดี่ยวถ้าจะสู้กับความอยากถ้ายังไม่เด็ดเดี่ยวพอก็เข้าไปสมาธิในช่วงที่เกิดความอยากทุกครั้งที่อยากอะไรก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวความอยากก็หายไป แล้วต่อไปมันก็จะไม่กลับมารบกวนใจเราอีกต่อไปแล้วเราก็จะสุขไปตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะพระพุทธเจ้านี้ความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะไม่ต้องกลับมาเกิดแต่ขณะที่ท่านแก่เจ็บตายท่านก็ไม่ทุกข์เพราะท่านหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเพราะท่านรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่เอง พอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายมันก็ไม่ทุกข์งั้นเรายอมหัดมายอมกันดีกว่ายอมหยุดเย็นยอมแก่ยอมยอมเจ็บยอมตายแล้วเราจะหยุดต่อสู้หยุดต่อสู้กับความแก่บางคนไม่ยอมหยุดต่อสู้ใช่ไหมผมหงอกก็ต้องยอมใช่ไหมหนังเหียวก็ต้องหาหมอดึงให้ใช่หมเด้งอยู่มาเรื่อย เดินย่างไงมันก็มันก็หย่อนไปเรื่อยๆนะมันก็เหี่ยวไปเรื่อยๆงนะั้นยอมดีกว่ายอมแล้วไม่ทุกข์ไม่ต้องไปดิ้นรนให้มันเหนื่อยพอไม่ต้องดินน้นรนมันก็เย็นนะเรียกว่ายอมหยุดเย็นสูตรสามยอใช้ได้กับทุกอย่างถ้าเรายอมช่ยอมรับความจริงเราก็จะหยุดความอยากได้นะแล้วเราก็จะเย็น ใครจะดา่าแล้วเราก็ยอมไม่ค้อดา่าเราก็จะไม่ต่อสู้ขเขาเราก็ไม่ต้องไปด่าเขาพอเราไม่ด่าเขาเราก็เย็นเราก็สบายถ้าเราไม่ยอมเขาด่าเราเราต้องด่าเขามันก็เลยร้อนกันไปทั้งคู่เขายิ่งดา่าเราก็ยิ่ ง, งเราก็ยิ่งร้อนเราก็ไปกลับไปด่าเขาเขาก็ยิ่งร้อนใหญ่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ทุบตีกันเดี๋ยวก็ฆ่าฟันกันไม่ได้นําไปสู่ความเย็น นำไปสู่ความร้อนความรุ่มร้อนของจิตใจความทุกข์นำไปสู่การจองเวรจองกรรมกันเอเกิดมาชาติหน้าเจอกันเมื่อไหร่ก็เข็นฆ่า ก, นน ก, กันเมื่อนั้นจองเวรจองกรรมกันเมื่อนั้นเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรสําหรับช่วงแรกนี้จะ อ, อนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราตริปุเรนติสักขังเอวเมวโตุทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามะนิโชติ ราโสยทาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคลมีนาสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนศีลิสะนิจจังุทธะปจายโนจตารุธรรมวาฏฐานติอายุวณุสุขัง พาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ น, นี้เป็บทุกสุมชุดร้อยสองอ่ายังไม่ขึ้นถึงสี่ร้อยเลยยูทูปเจ็ดสิบ้รราเจ็บหถ้าไม่มายทูท b e ก็ส0่ร้อยเอาเลยสองเจ้างถ้ารวม ก, กันก็สี่ร้อยกว่าสี่ร้ยห้าสิบ แต่ที่เข้าถึงวันละตั้งสี่หมืนกว่าสี่ห้าหมื่ที่เข้าถึงแต่แต่คงไม่ได้แต่ที่ดูนี่ 6, 000, หกพันพี่บอกที่รับชมนี่ก็มีเขียนสติไว้สติสติไว้หกพันกว่าแต<บ>่ช่งวงเวลาทำงานเราพอเลิกงานไ ป, <อ>าไปรับชมอยู่ที่หลังแต่ที่ติดตามสดก็สามร้อยกว่าถ้าวันเสาร์ที่ก็สองร้อยกว่าไปที่อื่นบ้างไป ทำธุระไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ถ้าวันธรรมดาวันทำงานนี่เปิดดูได้เปิดติดตามดูได้มีคำถามไหมจะเคยนั่งปฏิบัติภาวนาแล้วมันหล่นอยูอ่ในอวกาศสองครั้งแต่ว่าอาการเดียวกัน คือสัตว์แต่ว่ารู้แต่ว่าเหมือนตัวมันไม่เห็นตัวเราหรอกแต่ว่ามันมีดมงจิตมันอยู่ใน อ, อวากาศแต่ทีนี้คือสองครั้งมันเหมือนกันแต่ไม่ได้ติดติกันนะคะแต่ทีนี้ก็คือมันอยู่ได้ประมาณไม่ห้าห้าถึงสิบนาทีไงไงไนะอาจารย์แต่ก็คืออาการนั้นคื อ, อคืออาการสงบนเนี่ยพยายามทําบ่อยๆให้มันเข้าไปในอาการนั่นบ่อยๆมันเข้าเองค่ะอาจารย์ดูๆนงมันก็ซุกก็ไปให้มันเข้าไปบ่อยๆให <ๆ S 2> ้มันบ่อยๆ ให้มันให้มันสั่งให้มันเข้าไปได้ต้องแบบบังคับเข้าไปได้เลยหลัยเห็นแ้วเลยใช่ไหมครับที่ใช้การตกหลุมตกบ่อก็บางทีบางทีมันไม่ต้องตกก็ได้หรอกมันก็มันนิ่งมันสงบมันเบาสบายอก็ยังอาจจะไม่ไม่ลงลึกเท่านั้นเองยังก็พุทโธต่อไปดูลมต่อไปคิดว่าอาจารย์บอกว่ามันจะว่างนิมันจะไม่มีอะไรเลยใช่มครับไม่ไม่เห็นอะไรรู้สึกอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ รู้สึกว่าไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีความคิดให้รู้ไม่มีอะไรให้รู้รู้แต่รู้แต่รู้เห็นแล้วลรู้ว่ารู้ว่าไม่มีอะไรรู้ว่าว่างรู้ว่าเบาสบายมีความสุขแล้วอยู่นั่งอยู่นั่นได้อย่างสบายไม่อยากจะทำอะไรไม่อยากจะมีอะไรถ้าพยายามนั่งทั้งวันทั้งคืนสลัาากกันเดินเดินแล้วเมื่อยก็กลับเข้าไปนั่งต่อเมื่อยแล้วก็ลุกขึ้นมาเดิน สำหรับทําอย่างนั้นได้ก็ทำได้ทำอย่างนั้นอย่างเดียวอย่าไปทําอย่างอืง่นให้จิตมีสติคอยควบคับใจอยู่ตลอดเวลามีพุโทโธไม่มีลมหายใจไม่มีการเข้าดูการเดินของร่างกายก็ได้เดินก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือพุโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปแล้วแต่ถนัดอะไรชอบอะไรก็ทําไปแต่อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้น แล้วพยายามนั่งนั่งมันถึงจะว่างถึงจะสงบได้มากกว่าเดินเดินก็ว่างเหมือนกันแต่ว่างไม่มากสงบไม่มากเท่ากับนั่งตอนนี้ที่ตอนที่ได้มั น, นยังยังได้ไม่เต็มที่ต้องดูต้องดูลมต่อไปใ ช, ใช้อะไรก็ใช้อนั้นไปใช้ลมก็ดูลมไปใช้พุดโธก็พูดโธไปแล้วต่อไปเดี๋ยวมันจะลงเข้าไปเลือกขึ้นไป มีคำถามไหมเข้ามาคําถามในอินบ็อกซ์จากคุณธยาพรณ์ค่ะจะใช้หลักอะไรในการขจัดความเกลียดค้าในการฝึกสมาธิคะองใช้หลักความขยันนี่แหความขยันเนี่ยมันจะชนะความขี้เกียจได้เพาะฉนั้นพอขี้เกียจก็ต้องรีมลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเริ่มพุทโธเลยพอรู้ว่าขี้เกียจก็ต้องบังคับต้องบังคับตัวเอง ว่าความขี้เกยียจไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นความพยายามก็คือความเพียรความขยันหมั่นเพียรฉะนั้นขอให้เราเลึกว่ า, วามไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาได้เองทุกอย่างมันต้องเกิดจากความเพียรของเราถ้าเราไม่เพียรแล้วมันเกิดไม่ได้ถ้าให้นั่งอยู่ข้างๆพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เพียรให้เราไม่ได้เราต้องเพียรเอง อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็มาไม้คิดถึงความตายบ่อยๆมันก็จะทําให้ไม่ประมาทนอนใจชีวิตเรานี้เราไม่รู้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ตอนนี้เรายังมีโอกาสอยู่รีบทําเสียน้ําขึ้นให้รีบตักเดี๋ยวเวลาน้ําลงแล้วไม่มีน้ําให้ตักตอนนี้เรามีชีวิตอยู่มีเวลาที่เราจะปฏิบัติตักดวงนิพพานได้ แต่พอเราตายไปปั๊บนี่เราหมดโอกาสแล้วต้องไปรับผลบุญผลบาปช่วงนั้นเราก็ทำความเพียรไม่ได้น ะ, ะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีน้ำอาจจะหายไปหมดแล้วพระพุทธศาสนาอาจจะหายไปแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีธรรมะมาสั่งมาสอนเราแนละ้วนี่เราก็จะไม่มีใครมาฉุดลากเราดึงเราสอนเราเราเองก็จะไม่ไม่ไม่สามารถสอนตัวเราเองได้ เราก็จะทำตามวิสัยเดิมของเราจอบหาราบยกสารเสด็จสิรสุกก็จะหาราบยกสารเสร็จสุกต่อไปเราก็ต้องไปร้องห่มร้องไห้เศร้าสุกเสียใจให้คิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ขยันขึ้นมางามขึ้นให้รีบตักนะอย่าประมาทนอนใจเวลามันต้องหมดไปมันไม่มันจะไม่มีตลอดเวลา ชีวิตของเรามันจะไม่เป็นอย่างนี้ไปทุกวันพรุ่งนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะพี่กลนพี่การอาจจะตายไปได้ช่วงนี้เราได้ข่าวคนที่รู้จักตายไปต้องสี่ห้าคนนะคนที่ใสบ่บาทบ้านอำเภออนี้ก็ตายไปหนึ่งสองสองสามส เพราะว่าเราเป็นปราชญ์แล้วคนเยอะไปหรือว่าเพื่อนเดือนนักศึกษารุ่นเดียวกันก็ตายไปคนเนี่ยสี่คนนะครับช่วงนี้คนตายเยอะอย่างนี่เราลึกถึงความตายบ้างมันจะได้กระตุ้นให้เราไม่ประมาทหวนใจเพราะไมงั้บางทีเราจะคิดว่าเราจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยข้อต่อไปเจอเลยครับดังๆครับ ตอนที่ตรวจดูลมหายใจแล้วเนี่ยณ เ, เวลานั้นถ้าจิตเราเนี่ยเขาถือว่ามันว่างมากนะว่างจนจนไม่รับรู้อาการของข้างนอกนะคะแล้วก็แต่ว่าบางครั้งจิตก็จะสลับออกมารับรู้บ้างยังเรียกว่าอยู่ในที่ว่าทำสลับที่อยู่ในยังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่มันจะไม่รับรู้อะไรเลยมันจะเข้าไปข้างในจะเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ลมมันก็ไม่รับรู้ ถ้ายัางรับรู้ลมได้ก็ให้จดจอ่อดูลมต่อไปเรื่อยๆจนกล่ามันจะวุบลงไปแล้วมันจะนิ่งสงบลมมันก็จะปล่อยถ้ายัางดูลมได้ก็ดูต่อไปถ้าดูแล้วลมรู้สึกว่ามันหายไปก็อย่าไปปรุงแต่งว่าไม่มีลมหายใจแล้วเราจะตายหรือเปล่าไม่ต้องกลัวไม่ตายถ้าเรามีตัวรู้อยู่เราไม่ตายให้รู้อยู่กับรู้ไปรู้อยู่กับความว่างไป ให้รักษาความว่างไว้ให้จิตมันว่างอยู่กับความว่างไป อ, อ, อย่าให้มันปรุงแต่ง อ, อ, อย่าให้มันคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ออตอนนี้ไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญา เ, เวลานี้ต้องการให้จิตว่างให้นิ่งให้สงบไปนานๆาจะได้มีกำลังต่อสู้กับปิเลตต่อไป เ, ออเวลาออกจากสมาธิมาแล้วถึงเป็นเวลาค่อยคิดทางปัญญา คิดว่าร่างกายเราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดว่าร่างกายของคนที่เรารักเราชอบก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราต้องปล่อยวางเขาให้ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาอัน น, นอนต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนถ้าอยากจะคิดทางปัญญาแต่ถ้าขณะอยู่ในสมาธิจิตไม่คิดอะไรอย่าไปบังคับให้มันคิดอย่าไปสั่งให้มันคิดให้มันหยุดคิดไปนา น, าน อมีอะไรมีเขาจะถามคำถามอีกไหมคะไม่เป็นไรแหละเดี๋ยวก็าถามก็าถามไองคาถามจากเฟซบุ o กไลฟ์คำถามจากคุณบุญเลืองการคิดไม่ดีในใจแต่เราไม่ได้ทําเราบาปหรือไมค่ครับเป็นญากุศลทางใจเป็นบาปทางใจแต่ยังไม่เป็นบาปทางทางกายทางวาจานนยังไม่มีไม่มีเวรมีกรรม ยังไม่มีบาปที่จะส่งให้เราไปเกิดที่สูงที่ต่ำแต่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนจุดจุดไฟถ้าไม่รีบดับมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไฟไฟไหม้บ้านได้ดงนั้นอากุศลทางจิตอย่าให้มันเกิดถ้ามันคิดมันโลภมันโกรธแล้วพยายามหยุดมันด้วยสติหรือ ด, ด้วยปัญญาพุโทโธพุทโธไป ด้วยปัญญาก็บอกคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดนี้แล้วเดี๋ยวนาไปสู่การไปทำบาปทางกายทางวาจาต่อไปเราจะทำให้เกิดโทษตามมาตอนนี้ยังไม่มีโทษมีก็เพียงแต่ทางใจคือใจจะรุ่มร้อนใจจะไม่สบายเวลาเราคิดร้ายต่อใครนี่ใจเราจะไม่สบายนะแต่ยังไม่มีโทษแต่พอเราไปทำร้ายผู้อื่นไปว่าผู้อื่นนี่มันจะมีโทษกลับมา ถามจากคุณชินระงับความอยากให้คงที่ตลอดไปได้อย่างไรครับก็ต้องมีสติและม bueno ีปัญญาเช่นถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ใช้สติหยุดไปก่อนพุทโธพุทโธไปเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็พุทโธพุทโธไปจนความอยากสูบบุหรี่มันหยุดไปชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาบอกว่า สูบเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอสูบแล้วก็ต้องอยากสูบอีกแล้วพอไม่ได้สูบก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ยอมทุกข์ตอนนี้ดีกว่าทุกข์โดยที่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมสูบไม่ยอมสูบตามความอยากเราเดี๋ยวต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไป โยมนั่งสมาธิทำไมไม่เคยเห็นนิมิตอะไรเลยแต่สงบนะคะแสดงว่าสมาธิยังไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกเพราะลึกๆโยมไม่อยากเห็นเจ้าคะไม่ใช่หรอกนั่งนี้ไม่ต้องการให้เห็นนิมิตอะไรทั้งนั้นนั่งเพื่อให้เห็นความสงบเห็นความว่างถ้าเห็นนิมิตน่ะไม่ดีเข้าใจะเห็นนิมิตแสดงว่าจิตไม่ไม่สงบเต็มที่จิตไม่ไม่มีสติกาลังพอ งั้นอย่าไปเห็นอะดีแล้วถ้าเห็นรีบต้องหยุดมันอย่าไปตามมันเดี๋ยวเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนกับดูหนังเดี๋ยวก็เพลินไปกันนิมิตต่างๆแล้วจิตก็จะไม่มีกำลังเวลาออกจากสมาธิมาพอโรกขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้แต่ถ้าจิตที่สงบไม่มีนิมิตนี่จิตจะมีพลังมีความอิ่มพออกจากสมาธิมาเกิดความโลค ก, ก็ยังใช้ความอิ่มที่จาก ได้จากสมาตินี้มาพอสู้กับความอยากได้คำถามจากคุณอนงของที่ไหว้บรรพบรุษเมื่อลาแล้วสามารถนำไปถวายพระได้หรือไม่เช่นน้ำผลไม้กล่องมียาตนำไปถามพระก่อนถวายท่านตอบว่าน้ำผลไม้มันมีวิญญาณไหมเล่าเมื่อไม่มีก็ถวายได้แล้วอุทิศให้กับบรรพบรุษ แต่ความคิดของตนเองคิดว่าเป็นของเหลือจากบรรพบรุบแล้วไม่น่าจะนํามาถวายได้อีกจึงของกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะของของมันไม่มีมันไม่รู้หรอกว่ามันเป็นของของใครของนี่มันก็ถ้ามันไม่เสียไม่บูดก็ถวายได้ถ้ามันของบูดแล้วก็อย่าไปถวายเดี๋ยวภากินแล้วท่องเสี ย, ยเดี๋ยวนี้บางทีญาติโยมก็ทําของ เรียงคนงานสดเป็นของกล่องไงมีน้ำเครื่องอะไรตอนเชา้ามันก็เข้ามาเลยบาทพระกันเนี่ยเพราะว่าบางทีเขาเตรียมไว้มากกว่าญาติโยมที่มางานเขาก็ตอนเชา้าเก็เลยมาใส่บาทไม่เป็นไรใช้ได้ถ้าเป็นของที่ของจะเรียกว่าใหม่หรือเก่ามันใหม่มันเก่าที่นู่นมันก็มาใหม่ที่นี่แหละเราจะไม่รู้ว่าใหม่หรือเก่า ขอให้มันเป็นของที่กินแล้วไม่เป็นโทษกินแล้วใช้เป็นประโยชน์ได้กินให้อิ่มได้อย่ า, อาไปเส้นไปไหว้ใครก่อนแล้วค่อยเอามาใส่บาตรก็ได้เพราะการเส้นการไหว้มันก็ไม่มีนัยยะอะไรไม่มีสาระอะไรเป็นการเล่นละครหลอกเราไปตามความเชื่อของเราว่าเราได้ส่งไปให้คนตายแล้วทั้งนั้นนี่เราก็ไม่รู้ว่าคนตายอยู่ที่ไหนรอรับอยู่หรือเปล่าแล้วเขารับอะไรไปเขาก็ไม่ได้อะไรไปก็ลองก่อนที่จะ ต อ, อนที่จะเส้นกําลองชั่งน้ําหนักดูก่อนเยแล้วเวลาเส้นเสร็จแล้วเรามาชั่งให <Okay. S 1> ดูว่ายังเท่าเดิมหรือเปล่าถ้ามันลดลงมัแสดงว่าเออคนตายเอาไปแล้วถ้ามันยังเท่าเดิมมันแสดงว่าเขาไม่ได้เอาไปนะคำถามจากคุณทองหลังความตายจิตต้องไปรับใช้กรรมดีหรือกรรมไม่ดีตามที่โยมเข้าใจนะคะแต่วิญญาเร่ร่อน เขาทำไมถึงไม่ไปไหนเจ้าคะหรือที่เขาเล่ร่อนอยู่คือการใช้กรรมเจ้าคะเล่ร่อนก็เป็นเป็นวิญญาณก็เป็นเป็นกรรมอย่างหนึ่งแนละ้วเป็นภพอย่างหนึ่งเป็นผีเนี่ยเป็นพวกอสุลกายหรือเป็นพวกเปรต น, นี่ก็พวกวิญญาณเล่ร่อนนะถ้าไปนรกมันก็ออกมาเล่ร่อนไม่ได้วิญญาณติดคุกติดในคุ้มในกองไฟพวกที่มาเล่ร่อนก็พวกเนี่ยพวกบื้องต่ำกับพวกเนี่ย พวกเปรตพวกกสุลกายพวกสูงกับพวกเทวดาเทวดาก็มาเล่ร่อนมาเข้าฝันมาพบมาคุยกับเราได้เหมือนกันคือแต่ว่าในในพวกที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราสามารถบังคับจิตเราให้เป็นในทางที่แบบดีแล้วก็ไม่ดีได้แต่ว่าพอหมดรถที่เป็นมนุษย์แล้วคือมันเรื่องของบุญบาสนำไปมันไม่มีมันถูกเหตุการณ์พาพาพาไปแล้บาบมันจะส่งไปบุญมันจะหนึงไป และทิตย์กะทางกันจนกรา บ, บุญกับบาดไม่มีกําลังจะดึงไปทางใดทางหนึ่งก็กลับมาเป็นมนุษย์แบบต้องถามจากคุณพาริชรทําไมเวลานั่งสมาธิใช้พุดโธรแต่ทําไปสักพักจิตก็ปุ้งวนอยู่อย่างนี้ไม่เคยคืบหน้าเลยค่ะหนูต้องนั่งนานแค่ไหนถึงจะสงบได้เพราะหนูนั่งแค่ตอนเช้ามีเวลาแค่ขึ้นชั่วโมงก็ต้องออกไปทํางาน่ค่ะ อยากให้พระอาจารย์แนะนําค่ะเพราะพุโทโธของหนูมันมีกําลังน้อยหนูต้องฝึกพุโทโธให้มากขึ้นพยายามฝึกพุโทโธไม่ไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งเวลาเราเตื่นขึ้นมานี่เราก็พุโทโธได้เลยพอลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาเตรียมตัวอาบน้ําแต่งตัวล้างหน้าแปรงฟันกับพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดอะไรเหมือนกับนั่งสมาธิโดย ด้วยด้วยการทํางานกับร่างกายไปทําเรียกว่าสมาธิเคลื่อนไหวก็แล้วกันทําสมาธิเคลื่อนไหวไว้ก่อนไอ้พุโทโธพุโทโธไปตลอดเวลาในขณะที่เราทํากิจกรรมที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเราว่างเราก็มานั่งเฉยๆที่นี้พุโทโธมันจะมีกําลังแลเรานั่งเดี๋ยวเดียวมันก็จะสงบเพราะมันสงบตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งแล้ว พรถ้าเราพุโทโธพุธโทโธอยู่ใจเราก็จะคิดฟุ้งซ่านไม่ได้เงินพยายามหัดพุโทโธก่อนที่มานั่งพุโทโธในอริยาบทต่างๆในในการในกิจกรรมต่างๆในเวลานั่งจิตมันจะสงบได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีสติบางครั้งครัพระอาจารย์คือว่าเราคิดชอบที่ว่าหมือว่าเ ห, าเหมือนทํางานยุนง่งทั้งวันทั้งวันทําให้เหมือนว่า จะปรีดเวลานั่งสมาธิก็ได้น้อยหรือจะมาฟัาธรรมอะไรเี้เราเหมือนที่ว่าถ้าเราอยากสาเร็จเหมือนคนที่เขาสําเร็จอะไรแล้วประสบความสําเร็จในแบบในเรื่องงานเนี้ยค่ะเราต้องแบบยุ่งมากทํางานเยอะมากอะไรเงี้ยมันมันขิ ด, ด, ดหรือว่าต้องแบ่งเวลามากอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าการกระทํามันเดิให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้ งั้นแต่เราจะได้หลายหลายอย่างพร้อมๆกันทีเดียวมันก็ยากยิเวเฉพาะงานที่มันทำกันคนละแนวกันถ้าเราต้องการความสงบนี่เราต้องไม่ทำงานมันถึงจะได้ถ้าเราอยากจะได้ความสําเร็จในการหน้าที่การงานเราก็ต้องขยันทำงานสร้างเหตุที่จะทำให้เราได้รับผลที่เราต้องการที่ถามนี่ถามอะไร ถามว่าม right. right right right uh ัน huh. มันถ well uh ูกไม่ถ huh. ูกก่บที่อยากอยากจะได้นู่นอยากอยากจะได้นี่นะไม่ใช่ไงเหมือนกับว่าเราวิ่งในตำแหน่งของเราอยากไปที่หนึ่งเนี้ยค่ะแล้วคนมางคนแบบว่าเขาประสบความสำเร็จเขาต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยถิงจะได้แต่บางครั้งเราคิดว่าบางครั้งที่ตอนเรายุ่งยุ่งยุ่งแล้ไม่มีเวลาให้กับการนั่งสมาธิหรือทําใจให้สบายสบายเราแบบมันประสิทธิภาพของผงาน่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บางครั้งที่เราทําตัวแบบสบายสบายแบบไม่ค่อยเครียดกับงานแต่แบบประสิทธิภาพผลของงานมันดีมากเลยค่ะคือแบบ ก็ทําอย่างนั้นสิถ้าถ้าผลมันดียังไงเราก็ทําแบบนั้นคอยควบคุมใจเราอยากไปอย่าให้มันเครียดที่เครียดเพราะอาจจะเกิดจากความอยากของเรามากเกินไปต้องลดความอยากลงแล้วก็พยายามดูที่งานที่เรากําลังทําอยู่ส่วนผลมันจะได้ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเกินไปที่ไม่เครียดก็เพราะไม่ค่อยกังวลกับผล ถ้าไปกังวลกับผลก็มันจะเครีดดยดคำถามจากคุณเจ้าฮะว่าคืนขณนะ น, นั่งสมาธิจู่ๆรู้สึกเหมือนร่างกายส่วนขาเท้าเบาหายไปแต่ไม่ใช่อาการของการเป็นเหน็บชาแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตกหลุมตกบ่อไม่ทราบว่าปฏิบัติมาถูกต้องหรือเปล่าครับ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรข้อสาคัญใจเราสงบหรือไม่สงบเท่านั้นถ้าใจเราสงบแล้วก็ใช้ได้คํถาถามจากคุณญพลค่ะการที่เราอยากได้อยา่างดีแต่ก็ถูกขวางนั่นแสดงว่าสําหรับเขาความอยากได้อย่างดีของเราเป็นปัญหาสําหรับเขาใช่ไหมครับมันความอยากได้อยากเรานี้มันเป็นตัญหาของเราแล้วคนอื่นเขาจะ เขาอาจจะไม่เห็นดีกับเราก็ได้เขาก็อาจจะขัดขวางเราเ อ, อใช่ไหอคําถามจากคุณลาพิพัฒน์มีคนเขาพูดและคิดไม่ดีกับเราแต่เราให้อภัยเขาอาโหสิกรรมให้เขาขออาโหสิกรรมจากเจ้ากรรมใดเวรถ้าเป็นการอย่างนี้จะช่วยได้ไหมเจ้ า, า, จาคะจะพ้นนิบากกรรมด้วยกันหรือเปล่าคะเกยอย่างน้อยใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา เขาจะร้ายกับเราอย่างไรถ้าเร า, เาไม่ไปโกรธเขานิใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรายอมให้เขาทำอะไรตามที่เขาอยากจะทำแต่เขาจะหยุดหรือไม่หยุดนี่เราไม่สามารถที่จะไปกาหนดได้เราอาจจะไปขอขมาขออาภายัยแต่เขาอาจจะไม่ให้อาภัยเราก็ได้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราขออาภัยแบบไหนถ้าเราขออาภัยแบบที่เขาพอใจเขาก็ เขาก็จะหยุดเช่นเราไปขับรถชนรถของเงี้ยถ้าเราไปซ่อมให้เขาเขาก็อาจจะไม่พอใจก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนรถให้เขาเขาก็อาจจะพอใจก็ได้ถ้าก็พอใจเขาก็จะให้อภัยเราการจองเวรจองกรรมก็จะหมดไปดังนั้นก็อยู่ที่การขออภัยของเราไม่ใช่อยู่ที่การขอด้วยปากเฉยๆมันไม่พอหรอกไปตีหัวเขาแล้วก็ไปขออภัยมันไม่ได้หรอก ต้องเอาไม้ไปให้เขาแล้วก็เอาที่ตีตีหัวเราเลยอยากจะตีหัวเราตีเลยออย่างเนี้แล้วก็เขาพอเขาได้ตีหัวเราแล้วเขาก็เขาก็จะเลิกจองเวรจองกรรมเราไปดะงั้นการที่ไปทําร้ายเขาไปทําให้เขาเสียเสียหายแล้วเราไปเพียงแต่เอาดอกไม้ธูปเทียน ไ, ไปไปไหว้เขาขออภัยนี่มันอาจจะไม่พอหรอกใช่ไหมถ้าเป็นเราเราจะพอไหม เขามาฆ่าลูกเราแล้วเขาก็มาขออโหสิอย่างเงี้ยเขาต้องเอาลูกมาคืนเราสิใช่ั้ยเราถึงจะอโหสิกันได้แต่ทีนี้มันลูกก็เอาคืนมาไม่ได้ก็อาจจะต้องคนที่อโหสิไดก้ก็ต้องทอําใจยอมรับว่าเป็นกรรมของลูกที่มันต้องตายไปเขาก็อาจจะอโหสิได้แต่เขาก็อาจจะไม่ก็ได้เพราะคนบางคนก็เป็นคนที่ยังต้องการ จองเวรจองกรรมกันอยู่เขาก็แม่เอาโหสิเขาอาจจะต้องฆ่าลูกเราก่อ น, นเขาถึงยาโหสิถึงยาเลิกจองเวรจองกรรมกันเราจะยอมให้เขาฆ่าเปล่าเวลาเราไปฆ่าลูกเขาได้แล้วเรายอมให้เขามาฆ่าลูกเราหรือเปล่าดังนั้นก่อนจะไปฆ่าใครก่อนจะไปทําร้ายใครคิดให้ดีก่อนว่าเวลาเขากลับมาทําร้ายเราบ้างเราจะยอมหรือไม่ ถ้าเราคิดเราอาจจะไม่อยากจะไปทำร้อยไข่ก็ได้คุณเชอรันเข้ามาค่ะ How are you เชอรัน from ส i l a n ก a อาจารย์สาธุสาธุสาธุค่ะโอเคคำถามจากคุณแมนเวลานั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งลงแล้วสงบมากแต่มีหลายครั้งที่เหมือนกับเราจะไปอีกมิติหนึ่ง เมื่อถึงตอนนี like ้หนูรู้สึกกลัวจึงทำให้หนูต้องออกจากสมาธิถ้าเป็นอย่างนี้อีกหนูควรทำอย่างไรต่อไปคะก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกมันเป็นความรู้สึกแท่นั้นเองค่อยม่สติประคับประคองให้อยู่กับความสงบมันไม่ไปไหนหรอกเป็นความรู้สึกหลอกเราไปานหนึ่งอาจอย่นแสดงว่า้าก่อนนัเรามีความรู้สึกตัวตลอดไปๆคือก็ก็รู้สึกไปมันจะเห็นอะไรก ็ห ใ, ให้ไม่หรอกถ้ามันสงบก็มันไม่เห็นหรอกถ้ามันเห็นก็ต้องดึงกลับมาหาพุทโธดีกว่ามาหาลมดีกว่าอย่าปล่อยอย่าตามมันไปถ้าเกิดความรู้สึกว่าจะไปมิติหนึ่งก็พุทโธดีกว่าหยุดมันดีกว่าคำถามจามกคุณอุบลรักษ์เวลาเราทําบุญตักบาตผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าให้อุทิศส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทาง ถามพระอาจารย์ว่าเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีมีจริงใหม่เจ้าคะเราก็ไม่เคยเจอนะเราไม่รู้จะบอกว่ามีหรือไม่มีก็ไม่ได้มันเรื่องของความเชื่อของคนก็ไม่ก็อย่างนี้อย่าไปลบหลู่ก็แล้วกันเราไม่ลบหลู่ถ้าเราไม่เชื่อแต่เราก็อย่าไปลบหลู่คาถามจามกคุณครูทําไมเวลานั่งเจอแต่เวทนาตลอดต้องทํำยังไงคะหยุดหรือทาต่อแต่ปวดมากคะ่ะ ก็เป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อนั่งไปสักระยะหนึ่งนะมันก็ต้องเจ็บต้องปวดขึ้นมาการจะนั่งผ่านวิทนาได้ก็อยู่ที่การมีสติหรือไม่ถ้ามีสติเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธไปอย่าไปสนใจกับความเจ็บเดี๋ยวจิตก็จะผ่านความเจ็บนั่นไปได้จิตเข้าสู่ความสงบได้้นเวลาเจ็บถ้าอยากจะให้จิตสงบก็พุทธโธไป บริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้ว เ, เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะหายหายจากความเจ็บจิตก็จะสงบความเจ็บอาจจะไม่หายไปแต่ความเจ็บจะไม่มาลบปวนใจเราจะอยู่กับความเจ็บได้คำถามจากคุณพลสาธุกับอนุโมทนามีความหมายอย่างไรคบไปเปิดเด็กดูเร่ สาธุ อ, อนุโมทนาใส่ไปใน Google หน่ยนี้เลยเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาคาถามจากคุณจิราศักดิ์กระผมขอถามว่าเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นบางครั้งก็แก้ไขได้ด้วยสติและลึกรุ้ก็หายบางครั้งไม่หายก็พิจารณาตามความเป็นจริงแต่นืกอพิจารณาแค่ช่วงเวลาสั้นๆบางครั้งก็หายแต่ก็ไม่หายก็พึ่งลมหายใจแล้วอารมณ์ก็หายไป ทั้งสวิธีถ้าหากวิธีไหนสามารถขจัดอารมณ์ได้ในขณะที่เกิดขึ้นจะได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่กระผมทำอยู่ถูกวิธีไหมครับถ้าไม่ถูกขอพระอาจารย์โปรดแนะนําด้วยครับถูกแล้วถ้าไม่ใช่สติก็ใช้ปัญญาคําถามจากคุณต้นทําอย่างไรให้อยู่กับจิตปัจจุบันเช่นเวลาอ่านหนังสืออ่านสักพักก็คิดไปอย่างอื่นค่ะก็ ต้องฝึกสติใช้ฝึกพุโทโธพุธโทโธไปบ่อยๆให้จิตอยู่กับพุโทโธพุธโทโธต่อไปเวลาอ่านหนังสือมันก็จะอยู่กับการอ่านหนังสือเนี่ยที่เขาบอกไม่มีสมาธิในการหนังสือความจริงก็คือไม่มีสติกับการอ่านหนังสือถ้ามีสมาธิมันจะไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรแล้วมันเข้าข้างในแล้วคำถามจากคุณพาลิพรหนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย หููพยายามทำสมาธิเพื่อที่เวลาใกล้จะตายจะได้ไม่เจ็บปวดพระอาจารย์แนะนําให้หนูควรทำสมาธิอย่างไรดีคะยิหลักอะไรดีคะก็หลักไหนก็ได้ถ้าเราใช้พุโทโธเราก็พุโทโธไปถ้าเราสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปถ้าเราดูลมก็ดูลมไปอันนี้หลักของการทำสมาธิอย่าไปคิดถึงความเจ็บของร่างกายถ้าเราใช้ปัญญาได้ยิ่งดีใหญ่พิจารณาว่า ความเจ็บความตายเป็นเรื่องของร่างกายห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเราให้ดูร่างกายเหมือนเราดูคนร่างกายของคนอื่นเวลาร่างกายคนอื่นก็ตายเขาเจ็บเราเดือดร้อนไ้มเราก็ต้องมองร่างกายของเรานี้ว่าไม่ใช่เป็นของเราแสดงว่าต้องฝุดดูมาก่อนถ้าไป ด, ดูตอนมันไม่ทันก็ไม่แน่มันอาจจะ ทำเป็นมันมันเป็นไฟบังคับมันก็อาจจะมันถ้ามันเข้าใจหลักว่าเป็นวิธีที่ดับความทุกข์ได้ก็อาจจะทําได้อย่างพ่อพระพุทธเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายก็มีพระพุทธเจ้าไปสอนบอกว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดว่าเป็นตัวเราของเราปล่อยมันไปมันเป็นดินน้ําลมไฟเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันไม่ตายท่านเอง ถ้าเราหยุดความอยากนี้ไม่ได้ไปหยุดความตายจะหยุดความอยากไม่ตายคือยอมตายพอยอมตายแล้วมันก็จะหายทุกข์คำถามจากคุณอาจารย์งามค่ะผู้ที่บรรลุเป็นโสดาบันตั้งแต่ชาติที่แล้วปิดอบายภูแน่นอนจะมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันตั้งแต่เด็กยังไม่มีตัวไม่ยังมีตัวไม่รู้ต้องมีสีห้าครบไหมคะ อ๋อมันมีอยู่ในใจอยู่นล้วแหละพโสดามันนี่จะไม่ทํำบาปในเด็กขาดไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นอะไรมันจิตมันรู้อยู่ในใจมาแล้วเหรแล้วเดี๋ยวก็พักตั้งเดี๋ยวอไม่ไ ม, ไม่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวกินมากเดี๋ยวต้องฉีอกเดี๋ยวกินตอนเลิกดีกว่าวกินตอนเลิก มีใครอยากจะถามไว้ข้างล่างยังมีใครมาไม่ทราบเสียงลดดูดดพระเนี่ยพระอาจจะไปทุลาข้างนอกไหมบ้าง่าแล้วนะคำถามจากคุณแมนสอน<อ>กาบเรียนหลวงพ่อช่วยอธิบายจิตพระโสดาบันและการพัฒนาขึ้นไปสู่พระอรหรันต์ หรือจิตที่เป็นนิพพานนั้นเป็นอย่างไรคะก็จิตที่ชําละกิเลสความโลภต่างๆให้หมดไปจากจิตเนี่ยพระโสดาบันก็ชาระความโลภในร่างกายความอยากในร่างกายอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ด้วยการเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราของเราเ เป็นดินน้ำลมไฟเป็นของดินน้ำลมไฟจะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟพอตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็เป็นโสดามันได้พระสะกิราคามีก็ตัดความอยากเสพการอยากร่วมหลับนอนกับคนอื่นได้ครึ่งหนึ่งเบาบางแต่ไม่หมดพระอนาคามีก็ตัดได้หมดจะไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใคร พอเห็นร่างกายของคนที่เราอยากจะร่วมหลับนอนนี้เป็นเหมือนซากศพเห็นโครงกระดูกเห็นตับไตไส้ทุงเห็นอวัยวะต่างๆตลอดเวลาพอเห็นแล้วอารมณ์ที่อยากจะเสพมันก็ไม่มีมันก็หายไปอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีพระอรหันต์ก็ตัดไอ้ความถือเนื้อถือตัวว่าเป็นตัวเราของเราตัดความติดในความสุข ของฌานได้ติดฌานต้องต้องเลิกฌานถึงแม้ว่าสมาธิถึงแม้ว่าจะจะดีขนาดไหนถ้าติดก็ไม่ดีต้องอย่าไปติดมีก็ได้ไม่มีก็ได้เหมือนกับกาแฟเนี้ยมีดื่มก็ได้ไม่มีดื่มก็ได้แต่อย่าไปติดมันพอไม่ติดมันแล้วเวลาไม่มีก็ไม่ทุกถ้าติดแล้วเวลาไม่มีมันจะทุกเนี่ยั้นเราทาเพื่อดับความทุกข์ต่าง กับความอยากความติดก็คือความอยากยังอยากนั่งยังอยากได้ชาอยู่ยังอยากได้ความสงบงนี้ก็จะเป็นทุกข์ได้เวลาที่จิตไม่สงบเนี่ยก็ต้องตัดตัดความอยากตัดอะไรต่างๆที่มิยังมีเหลืออยู่ในจิตอยู่นะความอยากในอารมณ์ต่างๆในธรรมอารมณ์อันนี้ไม่ได้อยากเกี่ยวกับร่างกายพระโสดาบรนพระสกิรดาคามีพระนาคารเมนิตัดความอยากเกี่ยวกับร่างกาย แต่พ่อาอาหารนี่ตัดความอยากเกี่ยวกับจิตความอยากที่มีอยู่ในจิตความสงบที่มีอยู่ในจิตอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตเนี่ยความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัดหมดให้เหลือแต่ความว่างให้เหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวจิตก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรต่อไปนี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติต่างเข้าใจรึเปล่า ตองปฏิบัติมันงทีจะเข้าอีกไหมมีค่ ะ, ะถามมาคำถามจากคุณอาจารย์งามข้อที่สองค่ะผู้ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีนับถือคุณพระราตาัตนตัยแต่ถ้ามีอัิญรญิยะชอบสัมผัสเจ้าที่ว่ามีความหิวโหวยถ้าจะไหว้ด้วยความเมตตาจะยังเป็นพระโสดาบันหรือพระสกิทาคามีหรือไม่คะคือการไหว้ครั้งนี้มันไหว้ไปตามธรรมเนียม ถ้าคนเขาสูงกว่าเราเขามีบุญคุณกับเราเราก็ไหว้เขาได้เอถ้าสูดามันพระอริยะท่านไม่ถือตัวหรอกท่านไม่ถือว่าฉันเป็นพระอริยะแล้วฉันไหว้ใครไม่ได้แล้วไม่ใช่หรอกก็ยังเป็นคนธรรมด า, ใ น, ามนในความรู้สึกหรือเมื่อเราเกี่ยวข้องกับสมมุติเราก็ต้องเคารวกฎของสมมติเคนที่มีความมีสูงกว่าเราเราก็ต้องไหว้เขาเช่นพ่อแม่พระ อ, อานันต์ก็ยังไหว้พ่อแม่ได้ไม่ใช่ว่าพอเป็นพระอาันต์แล้วไหว้ไม่ได้ไม่ใช่มึงก็บ้าแล้ว เาใจไหมมันไม่เกี่ยวกับการไหว้หรือไม่ไหว้การเป็นพระอริยะนี่มันเกี่ยวกับการมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเรื่องการไหว้มันก็ว่าไปตามตามตามเหตุตามผลเราต้องไหว้ผู้ที่เขาสูงกว่าเราผู้ที่เขามีพระคุณกับเราแล้วก็ไหว้ไปอย่างพระที่มีพรรษาน้อยกว่าได้มาร่ย์เป็นพระหังแล้วพระที่มีพรรษามากกว่า ไม่ได้บรรลุเวลาเจอกันพระอนหารก็ต้องไหว้พระที่เป็นพระปุถุชนนะี่แหะถ้าไม่ถือหรอกเพราะท่านถือตามกฎของสมมุติสมมุติบัญญัติไว้ว่าใครมีพรรษามากกว่าก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสใครมีพรรษาน้อยกว่าก็ต้องเคารพผู้ที่อาวุโสกว่าดันั้นนี่กฎตอนนี้มันยังเหมือนเดิมไม่ใช่พอเป็นพระริยะแล้วเปลี่ยนกฎ <c oughs> มันไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็กลายเป็นพระระยะบ้าแล้ว แต่ว่าท้าโสตบันเทอริยงปัทส่หนึก็ว่าสักยฤทธิวิจิติิชาไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็สี่รับตรัสรัตา์คือจะไม่ไปบนบานสารเก่าอะไรที่ทำทำแต่กดเชื่อเขาลดกดแห่งกรรมอย่างเดียวสุขทุกข์ดีชั่วอยู่ที่การกระทาของเราไม่ได้แต่ว่าถ้าปฏิบัติตามสมมติโลกก็ ถ้าเราอยู่ที่บริษัทเราบริษัทเขามีงานบวงสวงแล้วก็เราก็ไปกับเขา<อ>แต่เราไปด้วยมารยาทเขามีงานแ ต, แต่งงานเขาเชิญโหราจารมาสเสด็จเคาะอะไรแล้วก็อยู่ในงานแล้วก็ปล่อยก็ทําไปเราไปแต่เราไม่ได้ไปเพื่อสิ่งเหล่านี้เราไปเพราะว่าเราเป็นลูกจ้างหรือเป็นญาติสนิทมิตรสหายต้องไปร่วม ง, งานกับเขา อ่าก็ปล่อยก็ดูไปเราอย่าไปดูเองก็แล้วกันอย่าไปเราอย่าไปจ้างเข้ามาดูก็แล้วกันแล้วตังค์อ่าเราเราเชื่อโกฎแห่งกรรมอย่างเดียวออ่าพรอาจารย์ครับตอนนี้ในหลายๆสำนักนะครับพระอาจารย์มักจะอ่าเอาจุดจุดจุดขายเขาว่าพระสมดานมามามาให้ญาติโยมให้ถึงอะไรเนี่าอย่างนี้บางครั้งมันมีข้อดีข้อเสียไงครับอาจารย์มีข้อเสียไหมครับ มันก็มันไม่ไม่ควรที่จะมาขายอะไอย่าง้ยแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมตา ม, ามอย่างที่เราคุยอันนี้ว่าปฏิบัติอย่างนี้ถึงอย่างนี้ก็ได้แต่ยังมาเหมือนกับว่าเอาอันนี้มาเป็นตัวขายดึงเอาลูกค้าลูกจิ์ลูกหาเข้ามานี่อันนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งอย่างน้อยก็โลภแล้วสองก็อาจจะเป็นการหลอกลวงลว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เป็น แต่ก็เพลย์ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้ขึ้นมามันก็แล้วแต่ว่าทําทําทําเพื่ออะไรทําเพื่อน้อมลาศักการะเข้าตนก็ไม่ควรแต่ถ้าน้อมถ้าถ้าทําเพื่อให้น้องไม่คนเข้าหาพระรัตนนาตายได้ก็ไม่น่าจะเสียหายถ้าเราแสดงบอกว่าถ้าเขารู้พระรัตนนาตายปฏิบัติตามพระรัตนนาตายแล้วจะได้พระโสดาบันอย่างเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่เสียหายทางไหน นก็แแล้ววต่ว่าเคำ ถ, ถามจากคุณชายจิรัตถ์ถ้ามีคนไม่สนับสนุนในการบวชของเราเราจะทําอย่างไรดีครับก็ไ ม, ม่มีรัศดาอะไรเลยการบวชนี่ไม่ได้อยู่ที่คนสนับสนุนอยู่ที่ว่ามีพระอุปชาเขาจะบวชให้เราหรือเปล่า <c oughs> ถ้าพระอุปชาบวชให้เราก็จบ <c oughs> การบวชไม่เกี่ยวกับคนอื่นใช่ไมนั่นเรื่องของเรา บวชจริงๆก็ดูพระพุทธเจ้ามีใครเป็นงานบวชพระพุทธเจ้ามั้ง น, นี่ยเห็นไหมหนีไปคนเดียวออนนี้เราเล่าให้ฟังตอนนี้เราบวชนี่แล้วพอดีเขามีคนอีกคนจะบวชเขาเลยจับเป็นบวชคู่พร้อมกันเขาบวชคนที่บวชคู่กับเรานี้ก็บวชสิบห้าวันก็มีคนมาเป็นร้อยกว่าคนเขาพ่อก็เป็นนายพลมีงานแต่เราบวชเราไม่บอกใครมีคนในบ้านมาสี่คน ไม่ส็ <laughs> มันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ที่ตัวเราเวลาบวชคนอื่นเขาเพบ่งแต่มาร่วมยินดีหรือบางทีเขายังไม่รู้ว่าบวชเพื่ออะไรกันโอเคบวชบวชไม่สึกเขากลับตกใจกันแต่ถ้าบวชบวชแล้วเสร็จเ็้ากลับดีใจกันง <laughs> ั้นอย่าไปสนใจเรื่องของคนอื่นนะขอให้เรารู้ว่าเราบวชเพื่ออะไร <laughs> การบวชที่แท้จริงนี่เขาบวชเพื่อหนีสงสารหนีวัฏสงสาร นีการเวียนว่ายตายเกิดคนที่บวชเขาเรียกว่าภิกษุภิกษุแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารอคําถามจากคุณกิติพรคุณพ่อเป็นคนไม่ปล่อยวางสิ่งใดเลยควรทําอย่างไรดีคะก็ปล่อยก็ปล่อยเข้าไปเแตแล้วอย่าไปแล้วอย่าไปเราก็ต้องปล่อยวางเลยเราไปวางคุณพ่อไม่ปล่อยเราก็ยังไม่ปล่อยคุณพ่อเลย <laughs> การที่เราใส่บาทแล้วไม่ได้ถอดรองเท้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจจะบาปไหมเจ้าคะมันไม่บาปเพียงแต่ว่ามัน ม, มันไม่ได้บุญมากเท่าที่กวรเพราะการใส่บาทนี่เราต้องการแสดงความเคารพด้วยเคารพในทานของเราเคารพในผู้ที่รับทานของเราเพราะผู้ที่รับทานของเราท่านมีศีลสูงกว่าเราแล้วทางโบราณนี่ก็ถือว่าเราไม่ควรยืนอยู่ในที่สูงกว่าผู้ที่สูงกว่าเราเราต้องอยู่ที่ต่ํากว่า ถามสักคุณกัญญามีคนเคยถามว่าการไปบวชแต่ทิ้งพ่อแม่ให้ลําบากอย่างนี้คือดีจริงหรือทําไมไม่ดูแลพ่อแม่มันก็แล้วแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องดูแลพ่อแม่หรือไม่ถ้าพ่อแม่เขาดูแลตัวเขาเองได้เราก็ไปแต่ถ้าพ่อแม่ดูแลตัวเองไม่ได้จริงๆถ้าไม่มีเราแล้วเขาต้องลําบากมากเราก็อาจจะต้องรอไว้ก่อน แกพ่่่ออมไปนคำถามจากคุณชัดชายภาวะที่กําลังมุ่งพิจารณาอยู่การสังเกตเทียบเป็นอารมณ์เดียวกับนิพพานได้ไหมครับสังเกตไม่ได้หรอกต้องอย่างน้อยต้องได้สมาธินะจิตสงบเนี่ยถึงจะได้อารมณ์ของนิพพานอย่างแต่เป็นอารมณ์ชั่วคราวเพียงแต่นั่งคิดเียเฉยมันไม่เกิดหรอกอารมณ์เหล่านี้คําถามจากคุณแคตตี้ค่ะ ถ้าเคยทําผิดศีนจะสามารถเป็นพระโสดาบันได้ไหมคะได้เป็นอะไรก็ทําบาปขนาดไหนก็เป็นได้องคุลิมานข่าคนต้องการร้อยเก้าสิบเก้าคนยังเป็นพาาระอรหันต์ได้เลยนับภาษาอะไรกับแค่พระโสดาบันพระเทวทัตต่อไปก็จะกลับมาเกิดเป็นพระประเจกกพุทธเจ้าต่อไปเพราะบาปที่เราทําเมื่อเราใช้มันใช้บาปแล้วมันก็ถือว่าหมดไปเหมือนที่เราไปติดคุกติดตารางกัน พอเราติดคุกพ้นโทษออกมาเราก็เป็นประชาชนที่ไม่มีโทษละเราก็สามารถไปลงทุนทํามาหากินอะไรได้คำ ถ, ถามจากคุณหยกการวางใจในการเลี้ยงดูบุบพการีที่ไม่ได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดและไปมีครอบครัวใหม่แต่กลับมาหาบุตรและขอให้ช่วยเลี้ยงดูในยามที่เจ็บป่วยและชราภาพเนื่องจากครอบครัวใหม่มีภาร ะ, ะมากไม่สามารถดูแล ก็อยู่ที่จิตสํานึกของเราถ้าเรามีความกตัญญูถ้าเราคิดว่าถ้าไม่มีเขาเราก็เกิดมาไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าบุญคุณของเขานี้ยังยิ่งใหญ่อยู่แลเราอยากจะตอบสนองบุญคุณก็เราทําได้ก็ควรจะทําไปคำถามจากคุณจินดาขอให้พระอาจารย์ช่วยแนะวิธีแยกจิตกับความคิดออกจากกันด้วยครับก็ต้องใช้พุทโธไง หยุดความคิดเนี่ยพอจิตสงบความคิดก็หายไปก็แยกออกจากกันมันต้องใช้พุโทโธใช้สติพุโทโธก็ได้อลมหายใจเข้าออกก็ได้สวดมนต์ก็ได้แต่มันสวดมนต์นี่ยังจะยากไม่ได้เต็มที่มันจะสงบไม่ได้เต็มที่มันการสวดมนต์นี่จะช่วยบรรเทาความฟุ้งซ่านพอจิตหายฟุ้งซ่านก็อยู่กับพุโทโธได้ก็พุโทโธไปอยู่กับลมได้ยิ่งดี จะได้ไม่ต้องใช้ความคิดเลยดูเฉยๆเพ่งเฉยๆเพ่งดูลมเฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตวุบลงไปหนิงลงไปจิตก็จะหยุดคิดอย่างถาวรอย่า ง, อ ย, างอย่างเต็มที่คำถามจากคุณชัดชัยอย่างคาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการสังเกตนี้คือผู้รู้ใช่ไหมครับก็ธรรมชาติของผู้รู้นี่ก็คือผู้ตื่นไงเวลาจิตสงบแล้วเราก็จะเห็นผู้รู้ ผู้รู้ก็จะตื่นจากความหลงรู้ว่ า, เ, าเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเราคาถามจากคุณอรุณีการทำสมาธิจะต้องทำควบคู่กับการทำวิปัสสนาหรือเปล่าคะอ๋อต้องสลับกันเป็นคนละตอนกันเป็นเหมือนสองวิชาเรียนไม่ได้เรียนพร้อมกันชั่วโมงนี้เรียนสมาธิชั่วโมงต่อไปค่อยเรียนปัญญาไม่ได้เรียนทีเดียวพร้อมกัน เวลานั่งสมาธินี่ไม่ให้คิดเวลาจิตสงบแล้วให้สงบไปนานๆนนเพื่อจะได้มีกำลังที่จะไปใช้ในการเจริญปัญญาอีกต่อหนึ่งถ้าจิตไม่มีกำลังจิตจะไม่อยากจะคิดในเรื่องของอนิจจงทุกขังอนัตตาจะไม่ชอบคิดเรื่องอสุภะแต่ถ้าจิตสงบแล้วจิตจะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆก็สามารถสอนให้จิตคิดทางอนิจจงทุกขังอนัตตาคิดทาง อาทาง อ, อสุภะได้พอคิดบ่อยๆก็จะเห็นความจริงเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะก็จะตัดความอยากต่างๆได้อันนั้นก็เป็นอีกตอนหนึ่งตอนนั้นเรียกว่าปัญญาแต่ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถไปเรียนชั้นปัญญาได้คนละชั้นกันคนระดับกันแต่พอขึ้นสู่ระดับปัญญาแล้วก็ไม่ทิ้งสมาธิเวลาพิจารณาแล้ว พอจิตยังตัดไม่ได้ก็แสดงว่ากาลังไม่พอก็กลับมานั่งสมาธิก่อนมาเพิ่มกำมาเติมกําลังก่อนแล้วค่อยกลับไปคิดใหม่กลับไปตัดใหม่ก่อนต่อไปก็จะตัดได้แล้วสมาธิระดับไหนถึงจะใช้ขั้นปัญญาครับระดับแบบระดับไหนก็ได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าเาออกจากสมาธิมาแล้วอยากจะคิดทางปัญญาคิดได้เพียงแต่ว่ามันจะตัดได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองอ่าเติมบ่อยๆ แล้วถ้ายัางไม่ได้ก็แสดงโฆษณาที่ยังไม่พอก็พยายามเพิ่มกําลังสมาธิให้มากขึ้นนั่งให้มันสงบมากขึ้นนานขึ้นคำถามจากคุณลพิพัฒน์สมัยพระพุทธเจ้ามีพญานาคจริงหรือเปล่าคะเพราะตอนนี้เห็นคนเขาเชื่ออะไรประมาณนี้กันมากมายกราบสอบถามพระอาจารย์ให้ความคิดสติปัญญาด้วยค่ะพญานาคนี้ที่ว่าทางทางโลกนี้ในโลกนี้คงไม่มีที่โลกกระถาง น, นี้ ไม่มีใครจับมาให้เห็นเลยไม่ว่าในอดีตไม่ได้ไดโนเสาร์แต่พญานาคนี้ยังไม่มีใครจับมาพิสูจน์ได้คิดว่าเป็นพญานาคในโลกทิพย์มากกว่าเป็นกายทิพย์เป็นร่างทิพย์มากกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์บางลูกท่านก็บอกท่านมีเห็นท่านพบพญานาคแต่พบก็คงหมายถึงพบในสมาธิคงไม่ได้พบแบบตาเปล่าอย่างพวกเรานี่หมดแล้วยัง สงทท้้าายยปิดคำถามจากคุณหนองหิ่งพระไปรับเงินรายได้น้อยได้หรือเปล่าครับอ้าวถ้าก้าให้ก็เหมือนกินบริจาคไงเหมือนเหมือนทำบุญไงถ้าก้าให้แล้ว <c oughs> ก็ไม่เลยไปขอเป็นเป็น ร, รัฐบาลเข้าให้หรือถ้าพระอยากจะทำบุญก็บอกว่าขอคือนรัฐบาลไปทำบุญให้รัฐบาลไปก็ไม่ไปรับก็ได้ไปบอกเขาว่า ญาติโยงก็ให้เดือนละ30บาทแล้วพอแล้ววันละบาทไงบินทบาทวันละบาทเหลือกินแล้วเดือนต้อง30มสิบาทได้ทุกวันแล้วไม่ใช่บาทเดียวเลยอนี้ต้องถายบาทยังไม่รู้กี่รอบมีใครอยากจะถามอีกไหมปิดท้ายแล้วไม่มีอ่ามปกติว่าโดนโดนทักป่อยเหมือนกันว่าทำไมชอบไปทำบุญชอบ เมินเขบอกว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยจะต้องทุกหนักๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่สําหรับเกยยมเนี่ยคือไม่ได้ทุกหนักแต่เราไมีความรู้สึกว่าเราเราเห็นทุกข์ะเราเราเราเข้าแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามันมันเหมือนตัวว่ามันไม่ต้องเจอทุกหนักอะเราก็เข้าอะไรอยงี้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเออจริงๆเรามันต้องเห็นทุกก่อนไหมคะอาจารย์ถึงจะแบบเห็นทางที่เขาบอกกันนะคะไม่เราเห็นประโยชน์ของการเข้าวัดไงเมื่อเราไปวัดแล้วเราสบายใจแล้วก็ไปคนที่ไปเที่ยวสวนน้ําเขาสบายใจเขาก็ไปเที่ยวสวนน้ํา กายมันก็ไปเพื่อความสบายใจแต่ความสบายใจมันมีแบบของจริงกับของปลอมทั้งนั้นเความสบายของจริงก็ือเกิดจากการไปวัดความสบายของปลอมก็คือจากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพรามมันได้ปั๊บกลับมามันก็หายไปหมดแนละ้วแต่ความสบายใจที่ได้จากวัดกลับมายังสบายใจอยู่ล้วก็เลยเห็นว่ามันมีคุณค่ากว่ากันกายทัศน์ก็เลอของเขาว่าเขาไม่รู้ไง ี่ยก็จะเจอเคสที่แบบทุกหนักๆคุณคนอขาเลามาคุณ่เราไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นขั้นไอซีย์หรอกก็โรงพยาบาลเขาไม่ได้รับแต่ลายไอซีย์ใช่ไหมบางคนเข้าไปเช็คร่างกายอยู่เรื่อยๆบางคนก็ไปฉีดวัคซีนบางคนเข้าไปตรวจนั่นตรวจนี่มันก็เป็นการเข้าไปเพื่อประโยชน์ของผู้ไปนั่นเองก็จะว่าในเรื่องของเขาอ่ะ ไม่ใช่เราบบสู้ความจริงการเข้าวัดเนี่ยเป็นการสู้ความจริงไปฮะมันจะเป็นนิสัยที่มาตั้งแต่ก่อนโดยม่้าใจเลไม่ได้รู้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ถ้าถ้าเราชอบทางการแสดงว่าเราเคยทํามาก่อนมันติดเป็นนิสัยมาเอาแล้วนะ <c oughs> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอฟังนี้ทุกวันเบื่อไหมล้วก็เชื่อไม่เบื่อนะมันก็เรื่องเก่าอย่างนี้แหละ